นราสะโพเนเกษูเวาสูติสปารมีนมามิศิรสานิจังปุเรตวะอาคโตวะรังโมขังนาโทอภิชันโตดาวยังมิตวาสราทัง โมทหังวเนสุดกาลังนมามิศิระสาทารังตัสะมุรังมหายานุโอเปสีโพธิมันเดรตัสะบุษสาปาเดจาสะโพทโยนะมามิหัง พักขาวอา a ามาเคนาปัญจมาเรอาสิตโตปัญชิต a วานาสิกาปโตสับาลังคังนามิตังขันด a วามุนิวารตัมหะอานิมิเสวรัสนขคันเนปุณจันโดวา สานิมิสังนามิตังวันตามิโสนเพนาโทดัเสตวะปฏิหาริยังวาสาวดเวชังกมีสจังกมังนามิตังตวรนาทิตสังกาโซโรกคโครัตนาเร โตเสสิชนังรังเซหีสักขาหังนามิตังอังคิระโสมหาปุโยอชปารามุปาคโตอนุตโรมหาสโคสาชปารังนามิตังรัตมิชาเรียโชตันโต โมจารินเดมหาเรยราวิราชารโยนาโทสันธานาหังนามามิตังระตาวิโชกุณาธาโรราชายตนาปาถเปหเวนิสีติสักียาสันธานาหังนามามิตัง โตมเรอิงหันตวามิคาทายังมหาวนา่งโตเสทวาอุปกังขันธชีมหาชีนังนามามีตังขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระเรียทรงเจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟือ พระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมี30สิทัศนภบพบนับชาติไม่ท้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียกรกล้าบเป็นนิดพระนาถาทรงปราถนาโมฆะธรรมสระพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมได้แวนแควนแล้วจรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาผู้ทรงทําสิ่งที่ทําได้ยากพระองค์นั้นด้วยเสียกรกล้าบ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระยานอันยิ่งใหญ่ได้ทรงเสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพึกข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยโพธิพึกนั้นด้วยเสียงกล้าวพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคทรงชนะมารทั้ง5้ากาวคือกิเลสมารเป็นต้นจนถึงเทวปุตตมานเป็นที่สุดพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิง ด้วยอาราตมัคคายานทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยิ่งหยาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมทั้งโพธิบัลลังก์นั้นพระจอมมุนีทรงเสด็จออกจากโพธิพฤกษ์นั้นแล้วทรงเสด็จประทับยืนณนะสถานที่อันประเสริฐด้วยพระเนตรที่ไม่ทรงกระพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพ็งดังท้องฟ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่ประทับยืนอันไม่ประคเพคพเน็ตนั้นพระนาถเาจา้ากุคลายอามิตรกล่าวคือกิเลสแล้วทรงสแสดงยะมะกะติปฏิหารอันน่าอัศจรรย์เสด็จจงกรมองค์อาดุราชสีนรัตนาจงกรมเจดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่จงกรมนั้น พระไตโรโลกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับอยู่นะรัตนครเจดีกล่าวคือเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สอมณต์ด้วยรัศมีกล่าวคือพระฉับพันรังสีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตโรโลกนาถพระองค์นั้นพร้อมทั้งรัตนคราเจดีกล่าวคือเจดีเรือนแก้วนั้นพระจอมุนีผู้ประเสริฐผู้มีรัศมีกล่าวคือพระฉับพันรังสีแผ่สร้าง มีพระกุญญาที่พิณิหารอันยิ่งใหญ่ทรงเสด็จสู่ควงไม้อชัปาราิีโคดข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยควงไม้อชัปาราิีโคดนั้นพระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงรุ่งโรจน์อยู่ด้วยพระขายกาวคือพระสมีกาวคือฉัพพรรณรังสีทรงสวยมุติสุขนสน้าใหญ่แห่งมุจจรินนั้น ดุดผ้าทิพย์จอมนักสัตว์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งสระน้ำใหญ่มุจรินนั้นพระบรมศา ส, าสดาทรงกำจัดอวิชชาคือความมืดบอดทรงคุณธรรมหาที่สุดมิได้ทรงประทับนั่งด้วยพุทธสริณนะควงไม้ราชา ย, ยัตนะก่าคือไม้เกศ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมณสถานที่แห่งนั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิดขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันในการที่จะปาราเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะจะมาระลึกนึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดา เราท่านทั้งหลายได้กล่าวนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกวันนะโมตัสสะภควาโตเป็นต้นเหล่านั้นที่บอกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นการที่เราท่านทั้งหลายได้กล่าวนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมาจากการนอบน้อมด้วยใจที่ประกอบไปได้วยหนึ่งมีศรัทธาเป็นประธาน องมีเจตนามีความจงใจและตั้งใจประการที่3ก็คือมีปัญญาคือการรู้คุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นการที่เรามีทั้งเจตนามีทั้งศรัทธาแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวนอบน้อมอย่างแท้จริงทีนี้กิริยาที่นอบน้อมออกมาด้วยการกราบด้วยการไหว้ด้วยการเปล่งวาจาในการเพื่อจะนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้านั้นอันนั้นเป็นกิริยา แต่ตัวสภาวธรรมที่นอบน้อมจริงๆนั้นคืออะไรก็คือเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลแลจิตฉะนั้นเจตนาคือความจงใจตั้งใจในการที่จะทำศรัทธาให้เกิดความเชื่อมัน่นเพื่อจะออกจากอสัตย์ยะคือความไม่มีศรัทธาเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเพื่อจะออกจากความผดหู่ท้อถอยออกจากความเกียดค้านก็คือทำวิยะคือวิริยี ความแกล้ากล้าอาถาใหน้เกิดขึ้นเพื่อกำจัดโชชกศชาอกุสนให้หมดไปเพื่อจะได้กำจัดการหลงหลืมสติที่เรามุดถัดสติคือทำสติให้เกิดขึ้นในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระจริยาคุณที่พระบรมศาสดาทรงบาเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มารบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุด และเลือกถึงอุปปัฏมีสิปรมัทบารมีสินึกถึงปมหาปริจาคะทั้ง5มีทานะจัดปริจาคะจนถึงการสละชีวิตเป็นที่สุดแล้วก็มาเลึกถึงพระอัยาศัยของพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอารมพัฒ ช, ชาสยะอัธยาศัยที่ไม่โลภอัโทสัชายาอัธยาศัยที่ไม่โกรธอโมหัชายาอัธยาศัยที่ไม่หลงประกอบไปด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจ ปวิเวกัดชาสยะอัตยาศัยในการที่น้อง้าสู่กา ย, ว, ย, ว, ยวิเวกจิตวิเวกเพื่อเข้าถึงอุปทิวิเวก เ, เป็นต้นแล้วก็นิสรณนัทธชาสยะอัตยาศัยที่ต้องการที่จะออกจากพบออกจากกระแสขันแล้วก็เนคขมัตชาสยะดังที่ได้กล่าวน้อมออกในการบำเพ็ญเนคขมัในอัตยาศัยที่สมบำเพ็ญมาทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อจะเกื้อกูลต่อการที่จะบำเพ็ญ บารมีทั้งหลายเป็นต้นเราท่านทั้งหลายเมื่อมาระลึกถึงบารมีของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาทําให้เราระลึกถึงการที่เราจะนอบน้อมที่บอกว่าถ้าพระเจ้ากระทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตนถวายอุทิศแด่พระพุทธเจ้ามอบตนถวายอุทิศแด่พระธรรมมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอสงฆ์โปรดจํำข้าพเจ้าหรือขอท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้น นั่นคือการตั้งอัธยาศัยในการที่จะสละตนเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและกสัตริบูชาการสละตนเองในที่นั้นก็คือสละอะไรสละอัตภาพก็คือขันห้านี่แหละที่ประกอบด้วยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันทั้งขานละขันและวก็วิญญาณขันก็คือการสละกระแสชีวิตโดยปกติแล้วเนี่ยกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราถูกกิเลสคือราคะความกำหนัดโทสะความโกโรธและก็โมหะความหลง แล้ถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำแล้วก็ปกครองควบคุมอยู่เราท่านทั้งหลายก็เป็นทาตุของกิเลสเวลาความโลภต้องการอะไรแล้วก็รับใช้เขาเวลาความโกรธต้องการอะไรแล้วก็รับใช้เขาเป็นต้นเวลาความหลงความมืดบอดความลังเล ส, สงสยัยความพุ่งสร้างลำคาญใจเกิดขึ้นกระแสชีวิตของเราก็จะถูกกิเลส3กลุ่ม น, นี้แหละคนบคุมกำกับและก็บังคับอยู่ตลอดเวลา นั้นก็บ่งบอกว่าเรายังไม่ได้สละอัตภาพนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาใช่ไหมวันนี้เราตั้งอัธยาศายบอนับเราจะทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบตนสิ้นชีวิตมอบตอนอุทิศถวายแด่พระเจ้าก็คือมาตั้งอัธยาสัยให้เกิดความเชื่อมั่นเพื่อําจัดความไม่มีศรัทธาขจัดความเกียจคร้านโอสัจฉะอกุศลเพื่อไม่มีความเพียนความเกล้ากล้าอาถาร กำจัดมุดทัศสติคือการหลงลืมสตินี่แหละเพื่อฝึกสติให้เกิดขึ้นในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งพระจริยาคุณพระสรีรคุณและก็พระพุทธคุณกําจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจเพื่อจะทําสมาธิ ค, คือความตั้งมั่นให้จิตให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะก็คือกำจัดความมืดบอดความมัวเมารุ่มหลงเพื่อจะทําปัญญาความรู้ความเข้าใจในการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรามาเลือกถึงคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าที่เรารู้กันอยู่ที่บอกว่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณและพาะมาหากรุณาคุณเป็นต้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสมเด็จเจ้าซึ่งทรงแทงตลอดอริยสัจจธรรมทั้ง4ี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากพระบระมา ศ, าศาสดาทรงบ่มเพาะปัญญาญาณเหล่านี้มา20อาสงไขยิ่งด้วยแสนมหากรท่านับโดยย่อก็คือสีอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากรนี่แหละ กว่าจะบำเพ็ญมาตัสรู้เป็นบุรุษเจ้าได้นั้นต้องใช้ความอาถารพเกล้ากล้าอย่างยิ่งแล้วในที่สุดสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกจริงๆซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้รับไออุ่นหรือได้รับความเย็นจากพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัญญายาณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศหลักการคําสอนของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสมปทา น, มมาทานอิทธิบาทอินทรีพระโพชฌงค์อริยมรรค ที่เรียกว่าโที่ปัิจียธรรมธรรมที่เป็นเครื่องหรือฝากฝ่ายให่การที่จะตัดรู้ธรรมเป็นต้นเหล่านี้เราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้านี้ก็อาศัยจากพระสัพพัญญุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งแทงตลอดอริยสัจจะเหล่านี้เบ็ดเสร็จแล้วก็มากล่าวพระธรรมมาเปิดเผยมาบอกมาแสดงทําให้เราท่านหลายได้เกิดความรู้ได้เกิดความเข้าใจอย่างยิ่งยวดอย่างนี้เป็นต้น นั่นแหละคือพระปัญญายานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากระแสขันของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดจดที่เรียกว่ามีวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดการตัสรุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณของพระเจ้านะควงไม้โพธิพฤกษ์ที่ทําให้กิเลสนิพพานก็คือราคะนิพพานโทสะนิพพานและก็โมหะนิพพานเป็นต้นกิเลสอกุตตธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายได้นิพพานณนะควงไม้โพธิพฤกษ์ นับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปกระแสขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์หมดจดพระองค์ก็ทํากิจในการเป็นพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยด้วยกระแสขันที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสการที่พระองค์นั้นทรงนําพากระแสขันที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดดําเดินด้วยพระบาทเปล่าในการประกาศขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏนั้น เราท่านทั้งหลายเห็นไหมเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่การที่เราเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหลังจากได้ตัดสั้นุทาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระ อ, องค์ก็เสวยมุติสุขอยู่เจสัปดาห์สีวันเริ่มตั้งแต่โพธิบัลลังเป็นต้นแล้วก็มาประทับที่อนิมิสเจดีแล้วก็รัตนจงกรมเจดีรัตนคราชเจดีอาชาภรานิโคตร ที่สามมุจรินแล้วก็ราชาญาตนะเป็นต้นเหล่านี้นะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าที่พระเจ้าทรงเสวยมุติสุขเนี่ยสัปดาห์วันหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็มนสิการถึงบุคคลที่จะลองรับพระธรรมเทศนาของพระ อ, องค์แล้วก็พระ อ, องค์ก็เสด็จดำเนินจากโพธิมณฑลเนี่ยด้วยพระบาทเปล่าเพื่อไปโปรดภันยัคคีทั้งาที่ป่าอิสิปตนบุรกรยาวันแฝงเมืองพราราณสี ฉะนั้นถ้าเราดูพุทธจริยาพุทธประวัติที่พระบรมศาสดาทรงเที่ยวจาริกในการประกาศหลักการของพระรัตนตรยัยหลักการคําสอนเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยออกจากสังสารวัตรเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากชาติทิฐุกชราทุกพยาธิทุกขมรณะทุกขพ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความค้อแทนใจซึ่งปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นและตั้งมั่นมาอย่างยาวนานในสังสารวัตร ที่ปรารถนาจะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตัดสู้เสร็จปุ๊บพระองค์ก็โสวยมุติสุข49วันนับแต่นั้นมาก็ไม่ได้พักเลยในการประกาศดําเนินในการที่จะประกาศหลักการคําสอนเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณอยากให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นตรงนี้ได้เห็นพระคุณทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณโดยเฉพาะมพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกระทํามาอย่าง ยิ่งยวดและยาวนานแม้ในปัจจุบันพระปรมศาสสดาสเสด็จ ด, ดับขันเทพริณิพานไปแล้วที่บอกว่าดูก่อนอานลทำและวินัยที่ตาถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบระิณิพานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระธรรม 84%,00 มพัระธรรมขันคือพระวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระพิทรมปิฎก ที่สรุปลงเป็นข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญานี้แหละจะเป็นพระบรมศ า, ศาสดาในการที่จะนําพากระแสชีวิตเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้พ้นจากชาติภัยชร า, าภัยพญาธิภัยมรณะภัยเป็นต้นแล้วพระธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จนถึงปัจจุบันเนี่ยพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดานั้นไม่เคยหยุดในการทําพุทธกิจของพระองค์เลยใช่ไหมแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ย จะสามารถที่จะเปิดใจในการที่จะรองรับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยอยู่ที่เราแล้วัวเนี้ยอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะสามารถเปิดประตูใจของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะก็คือเราจะปล่อยศรัทธาไหมเราจะปล่อยศรัทธาไปที่พระบรมศาสดาหรือไม่เราจะน้อมใจในการที่จะเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเพียนเกล้ากล้าออกจากความเกลียดค้านหรือไม่ เราเพียรพยายามในการที่จะตั้งสติในการที่จะลึกรับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเราจะมีจิตตั้งมั่นในการที่ไม่หวั่นไหวไม่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านมาเบียดเบียนใจของเราทําให้เราฟังพระธรรมไม่รู้เรื่องหรือไม่และเราจะขจัดความบอดความหลงความโง่ออกจากใจเราได้แค่ไหนอันนั้นก็อยู่แต่ละบุคคลที่จะเพียรพยายามในการที่จะฝุกผลพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของว่าอยากให้เราเห็น คุณของพระพุทธเจ้าเห็นพระคุณเนี่ยอยากแห่เรานึกถึงในเรื่องของการที่มาเลรลียกว่าการที่เราจะมาเรียกถึงพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าพุทธัทงธรนังขฉามีธรรมังธรนังขฉามีสังคังธรนังขฉามีเป็นต้นเนี่ยเออที่บอกว่าข้าพเจ้าเมื่อสักครู่ที่บอกข้าพเจ้ากระทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเนี่ยตราบเท่าเส้นชีวิต มอบตอนอุทิศถวายแด่พระเจ้ามอบตอนอุทิศถวายแดย่พระธรรมมอบตอนอุทิศถวายแดย่พระสงฆ์ขอสงโปรดจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เดี๋ยวอยากให้เราวาตาอีกครั้งหนึ่งนะว่าเออเดี๋ยวอามาจะนํานิดนึงนะอัชอาทิงกตาวาอหางพุทธสะปายโนโหโมิอาหางธรรมัสะ ปารายโนโหโมิอะหังสังคัสสะปารายโนโหโมีอิติมังทาเรธาติข้าพเจ้ากระทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตขอมีพระพุทธจ เ, เ, จาทาเจ้าเป็นหลักนําชีวิตขอมีพระธรรมเป็นหลักนําชีวิต ขอมีพระธรรมเป็นหลักนำชีวิตขอมีพระอาริยสงฆ์เป็นหลักนํขอาันชีวิตขอสงโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดขอสงโปรดจำข้าพระเจ้าอย่างนี้เอันนี้สมาทานจริงไหมจริงนะโมทนากับคนที่จริงด้วยขอมีพระธจ้าเป็นหลักนาชีวิตขอมีพระธรรมเป็นหลักนาชีวิตขอมีพระอริยสงฆ์เป็นหลักนาชีวิต พุทธะที่จะเป็นหลักนําชีวิตธรรมะเป็นหลักนําชีวิตสังฆะที่จะเป็นหลักนําชีวิตของเราท่างทั้งหลายเนี่ยสารณะเนี่ยเขหมายถึงว่าเราแปลกันว่าอย่างไงเราแปลกันว่าที่พึ่งใช่ไหมที่จริงความหมายของคําว่าสารณะเนี่ยในความหมายในการเข้าถึงสารณะคมมาจากคําว่าชื่อว่าสารณะเพราะอ่นานทว่าเบียดเบียเนเงี้ยวัทะแปลว่าการฆ่ากัน การเบียดเบียนทีนี้ประเด็นก็คือว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าสารณะเนี่ยเพราะย่อมเบียดเบียนก็คือย่อมนําออกโดยไม่เหลือซึ่งภัยภัยคืออะไรก็คือความสะดุ้งความทุกความลําบากทุกขติความเศร้าหมองทั้งสิน้นด้วยกิริยาที่ถึงซึ่งสารณะนั้นแห่งชนทั้งหลายพูดถึงสารณะอย่างแท้จริงทีนี้ไอ้ความ บาดหวั่นความสะดุ้งหรือภัยทั้งหลายเนี่ยที่จริงเป็นชื่อของกิเลสฉะนั้นสาระเนี่ยในความหมายจริงๆก็คือว่ากําจัดภัยก็คือกําจัดราคะโทสะและโมหะบุคคลที่ยังมีความกําหนัดยังมีความขัดเคืองยังมีความมัวเมายังมีความลุ่มหลงอยู่สัตว์โลกนั้นก็มีความกลัวใช่ไหมมีกลัวเนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่าไทยที่จะต้องไปเจออบายทุกขติวินิบัติรก การไปเกิดเป็นสัตว์นรกการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายการที่ต้องไปเจ็บปวดในสังสารวัตในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรก็แล้วลแต่เนี่ยที่ไม่สามารถเดินออกดำเดนินกระแสะชีวิตออกจากกิเลสและกองทุกเป็นต้นได้วิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยที่บอกว่าเรากระทำกรรมกันอยู่ตลอดใช่หมหนึ่กรรมดําให้วิบากดำกายโตุจเดิตวัจีโตุจเดิตมโนโยตุจเดรด มิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นในใจสัตว์ทั้งหลายมีการตีเตียนพระรยเจ้าเป็นต้นเนี่ยเมื่อเราประกอบกายโุเจริตวจีทยตุเจดิตมโนโยตุจริตเนี่ยบาปกุศลกรรมที่ทําเนี่ยเราก็จะได้อบายทุกติวินิบาตนรกเนี่ยเป็นกําไรเป็นผลใช่ไหมเป็นผลสืบต่อนั้นปัญหาชีวิตทั้งหลายที่ทับถมลงมาในหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ได้รับกันอยู่ไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตและสุรกายเนี่ยก็มาจากกรรมดําที่สัตว์ทั้งหลายทํากันอยู่นี้แหละ การต่อมาคือกรรมขาวให้วิบากขาวก็คือกายยโสจริทธิวจีสุจริทธมโนโ ส, สุจริทธไม่ติเยียนพริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายก็กายแตกก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เห็นไหมการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสูงหน่อยก็เกิดเป็นพรหมมีรู ป, ปรพรหมมีรูปรพรหมมีต้นเหล่านี้ น, นี่ก็จะเห็นชัดว่าอ๋อเนี่ยคือการประพฤติกรรมขาวก็จะไปอย่างเงี้ยแต่ที่สุดจริงๆก็เวียนอยู่ในสังสารวัตรเหมือนกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือกรรมขาว ประการที่3ก็คือกรรมทั้งดําและขาวคะคล้ากันไปบางคราวก็กายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตบางคราวก็กายยสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตใช่ไหมสลับคละค้ากันไปกระแสชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นไหมบางคราวก็บางคราวก็มีศรัทธาบางคราวก็ไม่มีศรัทธาบางคราวก็มีความเกล้ากล้าอาถารในการที่ทําความดีบางคราวก็เกียดคร้านในการที่ทําความดี บางข่าวก็มีสติบางค่าวก็เลอะเรือนบางค่าวก็พุ่งสร้างบางข่าวก็มีสมาธิบางค่าวก็รู้เข้าใจตามความเป็นจริงบางค่าวก็หลงไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมในกระแสชีวิตของเราสลับคราข้วแบบนี้ไหมถ้าสลับคราข้าวอย่างนี้ก็เรียกวกรรมทั้งดําและขาวมีวิบากและทั้งดําและขาวคราข้าวกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นสูงลงต่ำกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งน้ํำดำน้ำใสโอ้โหประชมในกระแสชีวิตของเราอยู่อย่างเงี้ยทำไมเราจึงประพฤติ ไม่ดำก็ไม่ให้ดำก็ใมันดำให้สุดฤทิ์สุดเด็ชไปเลยทำไมไม่ทำอย่างนั้นขาวก็ให้ขาวสุดฤทิ์สุดเด็ชไปเลยทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราต้องมาทำดำดำขาวขาวกันอยู่อย่างนี้เพราะอะไรอ่ะอะไรเป็นปัจจัยหนอทำให้เหล่าสัตว์เนี่ยมันไม่สามารถถ้าจะตัดสินใจดำก็ให้ดำไปเลยใช่ไหมจะได้ลงอาวจีมหานรกกันไปเลยเนี่ยเอาจะดำงั้อย่างี้ถ้าจะดำ หรือถ้าจะขาวก็เอาเลยเนี่ยจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเลยเฉพาะจะเป็นพรหมเลยก็ทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นไปเลยเนี่ยทําไมเราไม่ชัดเจนนั่งดํากับขาวอะไรเป็นตัวปิดอะไรนะอ๋ออวิชาและตันหาเอาวิชากระตันหาใครเป็นด่านหน้าวิชาเฮ้ตันหาจะเป็นด่านหน้าวิชาเป็นด่านมันปิดอยู่ข้างหลังใช่ไหมกระแสชีวิตเป็นกามาตันหาเพราะว่าตันหาวิเพว่ตันหาเนี่ยไอความทยานอยากนี่แหละ ความอยากใช่ไหมรูปที่สวยๆเสียงที่เพาะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆทามารมที่หน่ายินดีหน้าเพลิดเพลินทั้งหลายตัวตั้นหาเนี่ยอยู่ด้านหน้าที่มันอยากได้ใครดีทั้งหลายเลยเนี้มันก็มีอาวิชาปิดไว้ใช่ไหมเอาวิชาที่เป็นวิจิกิจฉากับอาวิชาที่เป็นความฟุงซ่านเนี่ยอวิชากลุ่มไหนที่เกิดในกระแสชีวิตของยอมที่นั่งที่นี่มากที่สุดระหว่างฟงซ่านกับวิจิวิจิตรฉาเนี่ยลังเลสงสัยไหนมากที่สุด ใครวิจิตรฉายกมือสิใครฟงซ่านมากยกมือสิโอ้ยฟงซ่านมากเลืเกินทําไมมันจึงดําๆขาวขาว เ, เพราะมันลังเลสงสัยมันลังเลสงสัยนะเดี๋ยวก็ไปทําดีใช่ไหม เ, เดี๋ยวมันก็ถูกบาปของสุรากา ม, มันชั่วร้ายชักพาไปอีกแล้วมันไม่ มันลังเล ส, สงสัยมันจะออกจากกรรมาคุณก็ไม่กล้าเต็มที่ไม่กล้าเต็มที่มันรู้สึกว่าถ้าเราจะไปมีความสุขกับการได้ฌานสมาบัติหรือสุขกับศีลสมาธิปัญญาสุขทานศีลภาวนาจริงๆโดยไม่ไม่ต้องมีบาปมาเกลียบล้วนมันก็ไม่มั่นใจตัวเองว่ามันจะสุขอย่างแท้จริงเคยเป็นไห ม, ไมตอนที่พระโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญทุกขารกิริยาจําได้ไหม ท่านบำเป็นทุกการกิริยาแล้วต่อมาท่านก็ได้คําตอบว่าหนทางแห่งการตัดสู้อนุตตะสาสมาสัพปริยานเนี่ยคงไม่ใช่หนทางนี้แน่นอนเหตุผลก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเพียนเพียน พ, พยายามมาหมดแล้วในยุคนั้นน่สิ่งใดในคนในยุคก่อนที่ทําเนี่ยหรือว่าสมณาธามในยุก่อนที่ท่านทําเนี่ยท่านทํามาหมดเนี่ยขอยกตัวอย่างตรงนี้นะว่า ตอนที ian, in need, bery, ion, ่ท่านบําเพ็ญก่อนหน้านั้นที่ท่านจะมาบำเพ็ญทุกกรกิริยาเนี่ยท่านไปอยู่กับสํานักอาจารย์สํานักอาราระดาบทและอุทธกาดาบทก่อนอยู่ไหมท่านไปทําฌานสมาบัติอยู่อย่างละเวันไปอยู่กับอาราละดาบท7อุทธกาดาบท7ท่านก็ได้ฌานสมาบัติตามอาจารย์ในยุคนั้นแล้วท่านก็รู้ทันทีด้วยปัญญาของท่านว่าอากินจัญญายตนะฌานที่ท่านได้เนี่ยอากินจัญญายตนะฌานอากินจัญญา สมาบัติที่ได้เจตนากรรมในนี้จะนําผลทําให้เกิดเป็นอากินจัญญาเยตนาพรมไปอยู่ในอากินจัญญาเยตนาภ พ, พไม่สามารถออกจากกิเลสและกองทุกได้ไม่ใช่พระนิพพานต่อมาท่านก็ามาได้กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งอุตกาดาบด ท, ที่บอกว่าได้วิญญาณัญจาเยตนาฌานพอท่านได้วิญญาณัญจาเยนาฌานซึ่งเป็นเหตุปุ๊บด้วยญาณปัญญาของท่านท่านรู้ทันทีว่าสมาบัตินี้กรรมนี้ที่ท่านได้ จะทำให้ได้ไปเกิดในอากินเนวสญญนะัสัญญาณาสัญญายาตนาภพเป็นเนวสญญนะัสัญญาณาสัญญายาตนาพรลมใช่ไหมก็ไม่ใช่นิพพานอีกท่านก็เลยบอก ว, ว่านี่ไม่ใช่หนทางในการพ้นทุกข์ท่านจะไปสแสวงหาหนทางของคนในยุคนั้นในการที่เขาไปพุทธปฏิบัติกันอยู่นี้เป็นต้นท่านบอกว่าพอหลังจากในยุคนั้นเขาบําเพ็ญทุกขกระกริยาท่านก็ไปทําบ้างวิธีที่หนึ่งหลังจากที่ท่านได้สถานที่ปฏิบัติที่เรียกว่า ที่ตำบลลูรุเวลาเสนาณีคมในยุคนั้นปุ๊บท่านก็บอกว่าเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันยอมทําตามไปด้วยนะใช้ฟันต่อฟันกดกันนะทําไมต้องให้ยอมทําด้วยรู้ไหม <c oughs> เพื่อไม่ให้ยอมหลับ <c oughs> ถ้ายอมไม่ทําันยอมต้องหลับเนี่ยนอนฉันรู้ดีเพราะยอมกินอาหารว่าใหม่ใหม่ <c oughs> ปัญหาก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละ ตรงที่เวลาไปบรรยายที่ไหนแล้วคนมักหลับถ้าบอกเสียงท่านเนี่ยฟังทีไรก็หลับแต่มาไม่โกรธยมหร<ม>อเพราะอะไรรู้ไหมถ้ายมหลับได้เนี่ยก็ชื่นใจนะคนที่หลับไม่ค่อยได้เป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะใช่ไหมวเวลาฉันไปบรรยายที่ไหนฉันยินยมนั่งหลับฉันก็นึกนึกนึกดีใจแสดงว่า ยอมนอนไม่ค่อยหลับงั้นต่อไปยมไม่ต้องเป็นกินยานอนหลับเอาธรรมะที่จะมาบรรยายนะเวลานอนไม่หลับ ก, ก็เปิดแล้วความรู้สึกไม่ชอบธรรมะก็จะเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วยอมก็จะหลับอยู่เลยแต่จริงเสียงทําให้หลับจริงๆนะยมนะทีเนี้ใช้ฟันกดฟันทางที่ดีเราควร กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้คมจิตด้วยจิตไอ้คําว่าคมจิตด้วยจิตเนี่ยอาจารย์ถาท่านแก้ว่าคมกุศลขมอกุศลจิตด้วยกุศลจิตคําว่าคมจิตด้วยจิตไม่ใช่ว่าเอาโทสะคมโทสะเอาโลภะขมโทสะโลภะไม่ใช่ใช้กุศลจิตนะข่มอากุศลจิตไว้ทํา แล้วเราก็ปฏิบัติตามที่คิดนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างยอมทำให้ไหลเลยนะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังจากคนที่อ่อนแอกว่าที่ศรีรษะหรือที่คอแล้วก็กดบีบไว้ให้แน่นชันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันได้ฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้<ม>เหงื่อก็ไหลออกจากรักแรท่านําแบบนี้นะอย่างอุกฤษท่านบอกว่าเราปาราความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อกายของเราเนี่ยถูกความเพียรที่ทนได้ยากเนี่ยนั้นเสียแทงอยู่กายของเรานั้นก็กระวนกระวายไม่สงบแลงครับอ่ะตอนนั้นกายกระวนกระวายไหมระชกายร่างกายกระวนกระวายหรือไม่แล้วใจท่านล่ะกระวนกระวายไหมตอนนั้นน่ะใจพวกใจบริษัทกระวนกระวายไหมถ้าเราทําใจเราจะกระวนกระวายด้วยไหมนี่คือปัญหาของเราเองนะไม่ใช่ปัญหาของโบริษัท แสดงว่าเราทำแล้วจิตเราจะกะวนกวยแล้วก็จะวุ่นวายแต่ท่านใช้กุศลจิตข่มอากุศลจิตไว้ใจท่านจึงไม่วุ่นวายใช่ไหมนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่2ท่านทำยังไงท่านบอกว่ากั้นลมหายใจทางปากและทางจมูกไม่ลมออกทั้งปากและจมูกเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบาเพ็ญฌานอันไม่มีลมปานเถิดก็คือไม่มีลมหายใจก็คือกั้นลมหายใจ เราก็กั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อเรากั้นลมหายใจอย่างนั้นแล้วลมก็ออกทางช่องหูทั้งสองข้างดังอู้เลยยอมทําให้ให้ออกได้ไหมให้ลมออกหูทําได้ไหมลองเอาสักนิดทีลองดูดีเปรียบเหมือนเสียงลมที่ช่างทองที่เขาสูบอยู่ใช้ลมเป่าทองสมัยก่อนเวลาเขาจะใช้ใช้ช่างทองที่เขาใช้ลมเป่า แม้ชั้นใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อลมหายใจทางปากทางจมูกมันไม่มีทางออกเนะียลมก็ออกทางหูเราปารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อกายของเราถูกความเพียรทนได้ยากเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบเลยครับนี่ครั้งที่สองอันนี้หนักกว่าเดิมนะทั้งแรกนั้นแค่ว่าไม่ได้กั้นลมหายใจแต่ครั้งที่สองกั้นไม่ให้ออกทางปากและทางจมูก เราออกทั้งหูทีนี้วิธีที่สามอันนี้กั้นลมหายใจทั้งปากด้วยทั้งจมูกด้วยแล้วก็ทั้งช่องหูด้วยนี่ทั้งที่หนึ่งครับยังไงรู้ไหมเมื่อเราคิดว่าทางที่ดีเนี่ยเราควรบรเมนชานที่ไม่มีลมปานเราก็กั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากจมูกและช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะลมวิ่งขึ้นข้างบนแล้วแต่เนี้ยมันไม่มีทางออกเนี่วิ่งพวดขึ้นข้างบนแล้ว ทีนี้ถามว่าเปรียบเหมือนกําลังถูกคนที่ใช้ของที่แข็งแรงนะคนที่แข็งแรงเ่ยใช้เหล็กแหลมแทงที่ศีรษะอยู่เช่นะั้นคือลมมันไม่มีทางออกมันก็วิ่งขึ้นบนแล้วก็กระทุ้งที่ศีรษะเนี่ยเหมือนเอาเหล็กแหลมแทงแทงอยู่ตลอดท่านทําอย่างเนี้นะถามว่าตอนนั้นเนี่ยอาวิธี น, นี้ วิธีต่อมาเี๋วนี้วิธีที่สท่านก็กั้นอีกนะหลังอากหยุดได้สักพักหนึ่งท่านก็ใช้วิธีที่4ว่ากั้นลมหายใจทางปากทางจมูกและทางช่องหูเป็นครั้งที่2ใช้เวลานา น, านกว่าเดิมเดี๋ยวนี้เรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบังเพญชานอันไม่มีลมปางเถิดเราก็กั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งทางปากจมูกและช่องหูก็เกิดทุกขเวทนาที่ศีรษะอย่างแรงกล้านี่หนักกว่าเดิมนะ เพราะลมออกทางใดทางหนึ่งไม่ได้เลยเปรียบเสมือนกำลังถูกคนที่แข็งแรงใช้เชือกัะที่สีสัเก็จะขันสนอภาษาโบราณนี่นะบีบรัดให้แน่นบีบรัดให้แนนไหวไหมอันนี้เรานึกถึงท่านที่ท่านบำเพ็ญทุกคาลักเริยนะการหาหนทางการตัดสร้อยวิธีที่ห้าหนักกว่าเดิมนะี่ย กานลมหายใจทั้งปากจมูกและช่องหูครั้งที่สามใช้เวลานานกว่าเดิมอีกท่านบอกว่าเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญชานอันไม่มีลมปรานท่านก็การลมหายใจทั้งเข้าและออกทั้งปากจมูกและช่องหูก็เกิดแรงเกิดลมแรงกล้าเสียแทนแต่นี้ลมมันวิ่งกลับไม่ขึ้นข้างบนแล้วลมวิ่งย้อนกลับมาข้างล่างแล้วก็ปั่นท้องเคยเห็น ท้องของคนที่เล่นโยคะก็เพื่อบมบมบมบปบมอย่างนี้ไหมลมมันไม่มีทางออกเคยเห็นไหมเนี่ยลมวิ่งมาที่ท้องมันกระทุง้งมันจะหาทางออกท่านบอกว่าเปรียบเสมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคพูดชำนาญใช้มีดเนี่ยเชื่อดท้องเชื่อท้องก็จะฉะนั้นคนท่าลมยิมทำให้มนุษย์ตายได้จริงๆนะลองคิดดูว่า รัชกายของมหาบรุษที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาได้ได้ร่างกายที่มีความแข็งแกร่งด้วยกําลังทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีจนถึงเวทท้าบา ร, รมีเป็นที่สุดได้มหาภุริสละขณะมาได้ความแข็งแกร่งมาขนาดนั้นฉะนั้นต้านทานขนาดไหนก็ต้องคิดดูนะลักษณะวิธีที่6ท่านกลั้นลมหายใจเข้าทั้งปากจมูกและช่องให้นานกว่าเดิมอีกนะแล้วท่านคิดว่าทางที่ดีเราควรบําเพ็ญฌานที่ไม่มีลมปาณ เราก็เกิดก็กั้นลมหายใจเข้าทางช่องทางปากทั้งจมูกทั้งหูเกิดการกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าเปรียบเสมือนบุรุษที่มีกําลังสองค น, นจับจับแขนไว้คนละข้างแล้วก็เอาไปย่างสดในหลุมทานเถอะโอ้โหที น, นี้ยไม่ใช่ธาตุลมอย่างเดียวธาตุไฟมันเริ่มจะแตกแล้วมันก็พัดไฟในร่างกายโอโ้ร้อนกระวนกระวายมากทรมานอย่างแสนสาหัสท่านบอกว่า ท่านปารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสติก็ตั้งมั่นไม่ฟันเฟือนแต่เมื่อกายของท่านเนี่ยถูกถูกลมเนี่ยหรือถูกเบียดเบียนขนาดนั้นเสียดแทงอยู่กายของท่านก็กระวนกระวายไม่สงบระงับเนี่ยเขาเห็นท่านทําขนาดนั้นจนกลุ่มเทวดาทั้งหลายปเตุเหล่านี้มาเห็นก็พาคันบอกว่าตายหรือ ย, ยังหรือ ย, ยังไม่ตายปเตุเหล่า้เนี่ยเนี่ยเรามองท่านทําจนวิธีอย่างนี้จนถึงที่สุดแล้วเนี่ย ก็ไม่ไม่ใช่หนท า, างในการตัดสู้ท่านก็เลยใช่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือท่านใช้การลดอาหารเราลงไปทําดีวนะวิธีการอดอาหารเนี่ยคือว่ากินอาหารทีละน้อยจนร่างกายผายพร้อมลงทีละนิดละนิดละนิ ด, นดจนเหลือครั้งละหนึ่งฝายมือเนี่ยนะแล้วก็น้อยลงอีกจนเหลือเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวหนึ่งเมล็ดนี่นะ เมื่อเรากินอาหารน้อยลงน้อยลงกายของเราก็ภายผอมลงอย่างมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็เป็นเหมือนกับเถาวันที่มีข้อมากหรือว่าเถาวันที่มีข้อดํายอมก็เห็นเถาวันไหมที่มีข้อมากหรือเป็นปมๆเลยเถาวันที่มีข้อดําๆเนี่ยเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกรีบเท้าอูดนึกภาพออกไหมเนี่ยจริงๆถ้าเราเห็นภาพที่บําเพ็ญทุกกรกิริยาเนี่ยนึกภาพตรงนั้นเอา กระดูกสันหลังก็ผุดเป็นหนาเหมือนกระถังวันกระดูกสันหลังนีเห็นหมดทุกข้อเลยซี่โครงทั้งสองข้างก็ปรากฏชัดเหมือนกับกรอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองก็ลึกลงไปในเบ้าแต่เนี้ยเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบอ่อน้ำเลยหไม่ตาลึกลงไปเลยคือพร้อมจัดแล้วก็ศีรษะก็เหี่ยวแล้วก็หดเหมือนกับลูกน้ําเต้าที่ตัดจาก เถามาตอนสดๆนี่แหละแล้วก็มาตากแดดเนี่ยมันก็เหี่ยวแห้งวังั้นตอนนั้นเน่ยท่านคิดว่าเราท่านใช้คํานี้นะว่าเราคิดจะรูปหน้าท้องจะใช้มือรูปหน้าท้องก็จับถูกกระดูกสลังอันนี้พร้อมจริงนะเนี่ยแสดงว่าท้องกับสลังี่ติดแบนติดกันเนยคิดจะรูปกระดูกสลังก็จับถูกหน้าท้อง เพราะหน้าท้องของเราแนบติดกันกับกระดูกสันหลังแล้วติดกันเลยเนี่ยติดติดกระดูกสันหลังยอมเคยเกิดมาเคยผอมขนาดนี้ไหมก็ เ, เห็นคนผอมขนาดนี้ไหมเนี่ยเราก็กินตนาการตามคําสอน ท, ที่ท่านที่พุทบรมศาสด า, สดา ท, ทรงบอกไว้เมื่อเราคิดจะถ่ายอุจจาปัสวะขยับ ก, กายก็เกิดส่วนเซลล์ล้มลงณที่นั้นลุกไม่ไหวแล้ว ทีนี้เมื่อจะทําให้กายมีความรู้สึกว่ามันสบายกายบ้างเนี่ยต้องการอยากจะได้ความสุขจากการสบายกายบ้างก็ใช้มือลูบลูบไปตามสลีละพอลูบแล้วเนี่ยขนที่มีรากเน่าก็หลุดติดมือไปเลยแปลว่าขนขนเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มีอาหารแล้วหลุดหมดแล้วเนี่ยขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดจากกายเพราะความที่ไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยง มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราก็พากันว่าโอ้โหดำมากวะพระพุทธเจ้พระสัมาโโดมาสัมพุทธเจ้าดำหรือว่าคร่ำไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นผิวพรรณที่บริสุทธิ์ด้วยมหากริสตะละขนาะสามสองประการก็อันลัทธานหายเกลี้ยงเลยเลยไม่มีเหลือแล้วมนุษย์ทั้งหลายเห็นก็พากันโอ้โหเนี่ยท่านก็บอกว่าเรามีความคิดว่าขนาดเราปฏิบัติอย่างกล้าแข็งหยาบและเผ็ดร้อนขนาดนี้ ปฏิบัติแบบอุกฤษขนาดนี้อย่างเพก้าขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มาซึ่งสัมมาสัมพุรยาณท่านบอกสํนานาพรามเหล่าใดในอดีตนั้นบุคคลในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยท่านมองแล้วว่าใครที่จะทําให้เกินนี้ไม่มีและในปัจจุบันเนี่ยสัมม า, าพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จะทําให้เกินนี้ก็ไม่ได้แม้บุคคลที่จะมาบําเพ็ญเพียรทุกการกิริยาในอนาคตที่จะมาบําเพ็ญก็ไม่สามารถจะทําเกินไปนี้ได้เพราะอีกไม่กี่ อึดใจถ้าถ้าขืนฝืนไปอย่างนี้ก็คือตายอ่ะตายแน่นอนระดับคนที่มีพระกําลังระดับอย่างพระพุทธเจ้าเออย่างที่มหาบุรุษที่ท่านได้มาเนี่ยเอกบุรุษที่ได้มาจากพระกำลังได้กําลังบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่บําเพ็ญมาทั้ง20ประสงกา ย, ยิ่งด้วยแสนมาหมากับเพียนขนาดเนี้ยถึงขนาดว่าใกล้แล้วเนี่ยใกล้จะตายแล้วเนี่ยท่านกําหนดรู้ได้ทันทีว่าขืนต่อไปอีกหน่อยเนี่ยไม่รอดนะตายแน่นอน เรามีความคิดอย่างนี้ว่าสำนะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งในอดีตที่เคยได้บําเพ็ญทุกกิริยากล้าแข็งหยาดเผ็ดร้อนอันเกิดจากความเพียนทุกขเวทนาอย่างมากที่สุดก็เพียงเท่านี้ที่เราได้รับอยู่ในขณะนี้เท่านั้นไม่เกินไปกว่านี้แม้สำนะพราม์เราใดที่จะมาบําเพ็ญเพียนในอนาคตว่างกันเถอะหรือในปัจจุบันก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามที่บําเพ็ญทุกกิริยากล้าแข็งหยาดเผ็ดร้อนอันเกิดจากความเพียรความเกล้ากล้าอาถาน ทุกเวทนานั้นอย่างมากที่สุดเพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้แต่เราก็ยังไม่บรรลุยานทัศนาอันประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์นอกจากทุกเบ็ดเยียนเผ็ดร้อนนี้แล้วท่านก็พิจารณาว่าอี้ยังมทงีทางอื่นที่จะตัดสู้อยู่อีกไม่หนอเนี่ยคิดแล้วเนี่ยดำริแล้วเนี่ยมองมองอย่างนี้ก็จะเห็นในคาสอนว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงบำเพ็ญทุกการกรยามาอย่างอุกบุตรและก็บำเพ็ญมาอย่างมากแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เล่าเองนะว่าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญอันนี้จริงๆแล้วท่านในคัมภีในที่ต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่ทำเพียงเท่านี้ท่านทํามาอย่างมากมายในกรณีการบาเพ็ญทุกการกริาแต่ที่ต้องการบอกให้เราทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าท่าน บำเพ็ญทุกขกิิยาตอนนั้นเนี่ยเมื่อพระโพธิตสั ท, ทรงทรงดการเสวยอาหารพระวรกายสู้ผอมแล้วก็ผิวพรรณเศ้าหมองตอนนั้นพน่ยพญามารมาแล้วพญามารมาก็มาคิดในใจว่าเอ๊ะถ้ามหาบุรุษเนี่ยคงจะได้บรรลุ ด, ด้วยวิธีนี้แน่นอนพอท่านคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมารก็เลยมาพอมาเบ็ดเสร็จปุ๊บมาร รู้ว่าคงจะเป็นทางตัดสรุหรือไม่เพระมารมานมองไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ต้องการจะมาขัดขวางเพื่อจะไม่ให้ท่านทําต่อเนี่ยตอนนั้นท่านจึงกล่าวบอกว่าท่านบอกว่ามานมาพูดนะพระพุทธเจ้าบอกเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ในภายหลังว่ามานได้เข้าไปแล้วก็กล่าวไถ่คําแสดงความอินดูพระบริษัทบอกว่าท่านมีร่างกายสูผ้ผอมผิวพรรณก็เศร้าหมอง ใกล้จะตายอยู่แล้วถ้าถ้ามีเราเรากำลังปฏิบัติอยู่ถ้ามีเทวดาหรือมนุษย์ก็ได้มาพูดกับเราอย่างนี้ใจเราจะเสียไหม <Yeah. S 1> เสียไม่เสีย <Yeah. S 1> ไม่เหลือแล้วบอกให้เราหยุดเราจะหยุดไหม <Yeah. S 1> ที่จริงนะเราคิดอยากจะหยุดอยู่แล้วมันมีเหตุเห็นไหมว่าท่านมีร่างกายผ่ายผอมผิวพรรณเศร้าหมองใกล้จะตายอยู่แล้ว ท่านมีโอกาสตายถึงพันส่วนโอกาสรอดชีวิตมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นท่านจงรักษาชีวิตไว้จะดีกว่านี่มานบอกอย่างนี้นะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังบำเพ็ญบุญต่างๆได้ท่านจะบาเพ็ญบุญอะไรเยอะมากบาเพ็ญได้เยอะอฟังแล้วน่าเชื่นใจไหมเวลมามารมารพูดเนี่ยพูดด้วยความหวังดีหรือพูดด้วยิษย า, ยาทาไมถึงริยา อ๋อไม่อยากจะให้หลุด อ, ออกจากอำนาจขมานิยมเก่งอย่างหน้าบรรยายแทนอย่างพอ บ, ยยบรรยายนี่ดีใช้ได้ทีนี้ท่านถามต่อไปท่านบอกว่าขมานพูดต่อว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์เว้นเมถุนธรรมและบูชาไฟยอยู่ไอ้ข้อความนี้บ่งบอกถึงพระบริสัททรงทําตามลทัทธิบูชาไฟด้วยเนี่ยสั่งสมบุญไว้มากแล้วท่านทำความเพียนไปทาไม ท่านจะอุตสาหะเพียนพยายามไปทำไมทางเพื่อความเพียนเนี่ยทางดำเนินไปด้วยความเพียนด้วยความบากบัน่นด้วยอุตสาหะเนี่ยดำเนินไปได้ยากมันจะหมดลมหายใจแล้วมันจะตายซะก่อนมานพูดเลยภาษาคืองทำได้ยากเพราะกายและใจมันเป็นทุกข์จริงไหมเวลาเราเพียนพยายาม เ, ยเอาเวลาไปปฏิบัติเราจะบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างอุกฤษจริงๆเนี่ย กายเป็นทุกข์ไหมใจเป็นทุกข์ไห่ถ้าใจทุกข์ก็ไม่ใช่ถ้าใจทุกข์ก็เป็นอกุศลสิทุกข์ายไม่เป็นไรแต่ใจใจเป็นทุกข์ไหมย้อนเวลานั่งหลับนี่กายเป็นทุกข์ไหมเวลานั่งเขายีแล้วหลับนี่กายเป็นทุกข์ไหมถ้าถ้านั่งหลับอย่างนี้กลายเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์ที่มันนั่งไม่นอนไม่สะดวกไม่เหมือนนอนกับพื้นใช่ไหม แล้วใจเป็นทุกข์ไหมใจเป็นสุขลองระวังเป็สุกเป็นวิ่งขาบ้างเป็นสุขบ้างทีนี้ทางที่ดีท่านบอกทางแห่งการดําเนินความไอไปความเพียรเนี่ยดําเนินไปได้ยากกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ยากยิ่งที่จะประสบประสบความสาเร็จมันเห็นแต่ความตายรออยู่ข้างหน้าเท่านั้นในมาร์คด้วยนี้มีแต่ความตายเท่านั้นดักรออยู่ข้างหน้า ถ้าเป็นเราเนี่ยจบเลยนะถ้ามารพูดแค่นี้นะ้วบอกว่านก็เห็นดีอย่างคุณว่ า, น, านั่นแหละเรื่องน้ก็จบแล้วก็จะเลิกทันทีแต่พระทเจ้าตัด่พระพธิสัตวท่านพูดอย่างนี้นท่านบอกว่าตัดบอกมารผู้มีบาปมานี่จะมีราคาโทรศัทโมหะเลยทำตามกิเลสผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทท่านมาที่นี่เพราะประสงค์ใดเราไม่มีความต้องการบุญเลยแม้แต่น้อยโอดชัดมาก ท่านบอกเราไม่เคยเราไม่มีความต้องการบุญเลยแม้แต่น้อยความจริงท่านควรไปบอกเรื่องนี้แก่คนที่เขาต้องการบุญเพราะคนที่เขาต้องการบุญเขาก็ต้องการเกิดใช่ไหมต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ว่าไว้นี่คนต้องการบุญทั้งหลายก็คือไปบอกคนที่ต้องการบุญนู้นมาบอกเราทําไมท่านบอกว่าเหตุใดท่านจึงเพียนมาหาเราผู้มีศรัทธาที่มั่นคง นี่ประกาศยืนยันนะทาไมเพียรมาเราผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่นที่มั่นคงและมีตะบะ巴ที่แรงกล้ามีความมีวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมและมีปัญญาอย่างอย่างกว้างขวางและมีความมุ่งมั่นมีความเป็นอยู่อย่างนี้นี่ท่านแสดงถึงความมุ่งมั่นแสดงถึงความว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและท่านก็บอกว่ากระแสน้ำในแม่น้าทุกสาย สามารถที่จะถูกลมพัดให้เหือดแห้งหายไปได้แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตมุ่งมั่นไม่ได้เหือดแห้งไปเลยแม้แต่หย ด, หดได้เดียวไหแล้วท่านบอกว่าแต่ถ้าเมื่อเลือดของเราเหือดแห้งไปก็ดีเนี่ยตลอดถึงดีเสเลดกำลังเหือดแห้งไปด้วยและถ้าเมื่อเนื้อกำลังจะหมดสิ้นไปแต่จิตของเราก็ยิ่งผ่องใส สติปัญญาก็ผ่องใสสมาธิของเราก็ยิ่งตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนี่ท่านประกาศยืนยันว่าเนี่ยเนื้อและเลือดเถื่อแท่งหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกนะแม้จะเลือดไม่มีก็จริงแต่ว่าเห็ดของท่านไม่เคยเศร้าหมองเลยสติปัญญาก็ยิ่งพองใสด้วยและสมาธิก็ยิ่งตั้งมั่นยิ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนี่นี้คือปณิธานของท่านที่ท่านไม่กลัวเลย อามานฟังแบบนี้มานทำงไงต่อแล้วท่านบอกว่าเรานั้นถึงจะได้รับทกเวทนานแรงกล้าอยู่อย่างนี้แต่จิตของเราไม่เคยหวงวนถึงกามทั้งหลายเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดตอนเป็นพระบริษันต์ท่านไม่เคยคิด ถึงกามเลยเช่นไม่เคยไปคิดถึงพระราชวังไม่เคยไปคิดถึงภรรยาไม่เคยไปคิดถึงบุตรไม่เคยไปคิดถึงขระราชบริพานไม่เคยไปคิดถึงอาหารอร่อยไม่เคยคิดถึงเครื่องที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาที่ดีๆเลยไม่เคยคิดไม่เคยหวนคำหนึ่งเลยไม่เคยน้อมไปหากามเลยว่าขนาดทุทรมานขนาดนี้ยังไม่เคยหวนคำหนึ่งเลถึงกามเลยเอาพวกเราเททีตรงนี้เขาปิดแอร์ตูมคิดถึงบ้านไหม ไปไม่เป็นนะถ้าปิดแอร์กันชั่วโมงนึงจะอยู่ไหวไหมใส่ต้องใส่เหลือแต่ผู้ พ, พูดเนี่ยหนีหมดตอนทีฤฤฤฤ่พระเจ้าตอนที่บําเพนทุกตอนที่นั่งที่ใต้ต้นพระสีมหาโพก่อนที่จะตัดสรุ้เนี่ยพอพยามารมาตอนนั้นมีเทวดาคนไหนอยู่กับพระเจ้าไหมไม่มีมีไม่มีหนีไปหมดเลย ไม่มีแค่เหลือเลยแต่พอพยามารแท้ไปแล้วกลุ่มพวกเสนามารแพ้ไปแล้ ว, ลวเาาวทวดากลับมาใหม่ไหมกลับมาใหม่แต่ถ้าแพ้จะมาไหมแพ้ก็ไม่มาแล้วจะมาอันนี้คือความจริงของชีวิตนะนะจงจงจงเข้าใจสัจจความจริงข้อนี้ว่าในยามที่ท่านมีปัญหาอย่างหนักทหาสกาันทุกคนจะทิ้งท่านทั้งหลายจะทั้งสู้ด้วยอะไร สู้ด้วยอะไรเราจะต้องมีใครเป็นเพื่อนตอนนั้นเราจะต้องมีจิตที่ผ่องใสเป็นเพื่อนมีสติปัญญาและมีสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตมีพระริยาก็มีบรารมีนั่นแหละฐานบรารมีศีลบรารมีเนกรขัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสาจ่าที่ฐานะเมตตาเวขาบรารมีนะดึงบรารมีเหล่านั้นทั้งหมดที่บำเพ็ญมาทั้งหมดมาประชุมไว้ในกระแสชีวิตแล้วก็ขจัดราคะโทสะโมหะออกที่เป็นกิเลสมานเป็นต้น แล้วขจัดมัดอยมารเทวดามารอภิสังขารมารเป็นต้นใช่ไหมนั่นแหละก็ต้องดึงบา ร, รมีเหล่านั้นมาผูกไว้ในตนเป็นข้อคิดสําหรับเราท่านทั้งหลายในยามที่ประสบปัญหาชีวิตทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดึงบา ร, รมีมาใช้แต่ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีไว้ท่านจะดึงที่ไหนท่านจะดึงตรงไหนนึกไปที่ไหนก็ไม่มีเลยมีแต่บาปที่ทําไว้จะทํำยังไงฉะนั้นจึงจึ ง, จ ร, งรีบสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตทุกขณะจิตให้เป็นกุศลให้มาก แล้วจะได้ดึงบา ร, รมีเหล่านี้มาไว้ในตนเวลาเดินไปในสังสารวัฏมันจะได้มีเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายก็จะยังเวลาเจอพญามารมาขู่อย่างนี้แล้วจะได้กล่าวคานี้ได้บ้างว่าไงยมเจ้ตอนนี้มีบ้างหรือยังมีได้บ้างหรือยังตอนนี้บา ร, รมีมีทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงเบียขาบา ร, รมีเป็นที่สุดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาถึงห้าเอร์เซ็นหรือยังจากร้อยเนี่ย สิได้หรื อ, อยังหรือยังนึกไม่ออกเลยว่าไปทําความดีที่ไหนบ้างเพราะมันนั่งฟังธรรมะทีไรก็มานั่งหลับทุกทีมันเป็นบา ร, รมีไหมอา <Yeah. S 1> มันไม่เป็นนะบา ร, รมีนั่งหลับเนี่ยไม่มีมันต้องเป็นกุศลด้วยใช่ไหมถึงจะเป็นบา ร, รมีได้ยานะท่านทั้งหลายจ้องขวนขวายเร่งรีบนะเพราะว่ากระแสชีวิตเนี่ยมันจะดับลงเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะ ทุกคนอย่าไปคิดว่าลูกจะทำให้เราแม่จะทำให้เราพ่อจะทำให้เราเราจะทำให้คนนั้นต้องทำให้ตนเองจนสามารถระลึกและชื่นโอกชื่นใจได้นะระลึกเห็นได้เหมือนที่พระบริสัทธ์ท่านนั่งอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมาโพตอนที่ปยามานมาเนี่ยท่านระลึกถึงลายทานบา ร, รมีที่บำเพ็ญมาตอนนั้นใช้สติท่านใช้สติเป็นตัวดึงบา ร, รมีเหล่านั้นมาดึงทานบา ร, รมีมาไว้ในตนดึงศีนบารมีไว้ในต น, ด, รร น, ตนดึงเนคข ม, ม่าบา ร, รมี ปัญญาบารมีวิทยาบารมีขันติสจัจจะดิษฐานะเมตตาเวทขาบารมีไว้ในตนดึงอุปบา ร, รมีสิบบารมิธรรมบารมีสิบดึงมหาปริจาค้าห้ามาเรียงลําดับใช่ไหมละ่ะที่พญามารมาบอกว่าบรรลังนี้เป็นของข่านใช่ไหมจาได้ไหมมาทวงคืนว่าบัรลังเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าใครใครเป็นพญานพญามารก็ชี้ไปที่ลูกนอก้องลูกน้อง ก, ก็พากันหัวบรรลังของพญามารเอาเลยทสเตียวนี้ยแล้ว พรบริษัทตอนนะั้นเทวดาอยู่บอกมีไหมไม่มีแล้วไม่มีคนของตนเองเลยหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมแล้วทํำยังไงอันนี้ตามคัมภีร์ปฐมสมโพธิว่างนะั้นคัมภีร์อัตกถาอื่นว่าอย่างนะยอมนะยอมอ่า <laughs> คัมภีร์เล่มเดียวเป็นแบบนี้ <laughs> <laughs> แม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ตามคัมภีร์ปฐมสมโพธิปฐมสมโพธิคาถา แต่ถ้าตามอาัตถาอื่นพระพุทธเจ้าอ้างเคืย อ, อ, อนดีตามนั้นน่ะท่านบอกว่าท่านมีพื้นแผ่นดินเนเป็นพยานใช่ไหมแต่จริงๆท่านระลึกถึงอะไรท่านระลึกตอนเอาท่านบอกว่าบารมีที่อื่นที่ทํานี่ยยกไว้ก่อนท่านนึกถึงแค่ตอนสมัยเป็นพระเวสสันดร ท, ท่านนึกถึงการถวายทานอันยิ่งใหญ่ของท่าน ถวายอย่างละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนั่นแหละท่านนึกถึงทานตรงนั้นเนี่ยนึกถึงแล้วก็ดึงบารมีเหล่านั้นมาให้แผ่นดินเน่ยบอกแผ่นดินนันไม่มีใจอ่ะแผ่นดินจริงๆไม่มีใจด้วยนะแต่ด้วยกําลังสัจจวาจาของพระบรมโพธิสัตว์นั้นนนัที่ว่าเราเคยให้ทานจนแผ่นดินเคยไหวมาแล้วในสมัยเป็นบริเวณเซนตดอน ให้แผ่นดินรับทราบด้วยโอ้โ oh, ห oh, แผ่นดินแผ่นดินร้องขึ้นมากระดุดดังรับทราบเลยเล่นจนว่าพญาช้างของช้างของวสิฎีมาเนี่ยซดลงอเข่าทิ่มลงงานทิ่มลงดินเลยเล่นพยามารตกหลงตกตกคอช้างเลยนี่ขนาดนั้นเลยนั่นในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าอยากประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเจอปัญหาเรื่องประศัิ์ใดๆเนี่ย สิ่งที่เราควรคิดไม่ใช่คิดถึงพ่อถึงแม่แต่ให้คิดถึงความดีที่ทํามาทั้งหมดระลึกได้เท่าไหร่ดึงมาทั้งหมดเลยนะดึงทั้งทานทั้งศีลทั้งเล ข, ขมาที่ทํามาทั้งหมดใช้สติดึงมาดึงข้อมูลระลึกเนะี่ยเพราะสัญญาที่มั่นคงมันเป็นเหตุใกล้ของสติใช่ไหมแล้วก็ไปดึงข้อมูลมาทั้งหมดที่เราทําดีมาทั้งหมดนี่แหละเอามาประชมในกระแสะชีวิต จะได้เกิดความมั่นใจว่าทานเราก็ทํามาศีลเราก็ทํามาเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสจ่าทิฏฐานเมตตาและเบคาเนี่ยเราทํามาถ้าเคยทําอุป ป, ปาลมีได้ยิ่งดีใครเคยทําปัณณับรมีนึกออกก็เลยลึกมานั่นแหละมาประชุมแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นความมั่นใจอย่างแรงกล้าโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยดึงมาปัญญาเนี่ยจะมาไข่ครวนตรวจสอบตอบสนองตรงเนี้ท่านบอกว่า เรานั้นถึงจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแต่จิตของเราก็ไม่หวั่นไหวไม่นึกถึงกามเลยเนี่ยนะท่านจงคอยดูเราพระบริษัทสท่านบอกว่าท่านจงบอกแกปยามาเนานะบอกว่าท่านจงคอยดูเราเนะว่าเราจะต้องเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์ให้ได้ยอมกล้าบอกกับพระให้พระจะฟังเดี๋ยนิด <c oughs> ท่าน <c oughs> ท่าน <c oughs> ท่านจงคอยดูเรา เดีดูข้าวพรเจ้าว่าข้าวพรเจ้าจะต้องหมดกิเลสให้ได้เ น, น, นี่ยอันนี้นิยมกล้าประกาศต่อหน้าพระไหมกล้าไหมกล้าเพราะความรู้ไม่่งกล้าดังนัแสดงว่ายอมก็กล้าบอกว่าจะต้องกลับไปเป็นสัตว์ที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งงั้นไม่ได้พูดอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกวิจิกิจฉา น, <ม>นี่เข้าใจใยังวิจิกิจฉาเป็นแบบเนี้ยจะไม่กล้าเพราะอะไรถูกไหมเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยอยู่ปราศจาก กิเลสนานๆได้เลยพอออกจากกิเลสได้ระยะหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกคิดถึงมันเพราะเราอยากใช้บริการของมันรู้สึกว่าเราคล่องมากกับการที่จะต้องใช้โลภะตัสามหานำพาชีวิตเนี่ยมันรู้สึกมันชำนานมากมันเหมือนคนเคยขาคนรู้รู้กันมันเปคนรู้แต่เวลาไปอยู่กับศีลสมาธิปัญญารู้สึกกเก้อขื น, ขน เลืมไปอยู่กับศรัทธาอยู่นานก็ไม่ได้มันรู้สึกอึดอัดอยากจะกลับเป็นคนไม่มีศรัทธาสักครั้งไม่อยากจะมีศรัทธานานเคยเป็นไหมล่ะ<ม>พอจะอยู่กับความเพียรความก ล, วกล้าแล้วก็อยากจะอยู่กับความโกศชาอกศนบ้างเช่นหนาวเกินไปร้อนเกินไปเหนื่อยบ้างกําลังเดินทางเราไม่อยากจะเจริญโกศลมันอยากจะมีเวลาพักเช่นเนี้ยเพิ่งสวดมนต์มาที่ขอพักสักหน่อยเถอะดิน๊นใช่ไหมเราคิดว่า การเจริญกุศลเนี่ยเจริญแบบเป็นพักๆเราคิดอย่างนี้จริงๆดังนั้นเวลาไปตามที่ต่างๆมยิเขียนเวลาเขาไว้ที่อ่างทองไม่รู้เขียนด้วยเปลาเวลานี้ทำบัตรเสด็จมนเ <c oughs> วลา น, นี้น้ำปั่นน้เวลานี้พักผ่อนอะไรเงี้ยเขียนอย่างเงี้ยไอ้กรณีอย่างเงี้ยบ่งบอกให้เห็นชัดว่าการเจริญกุศลมีการพักเป็นร ะ, ะระยะระยะถามว่าช่วงพักกุศลแล้วตอนนั้นอะไรจะเข้ามาแทนอากุศลก็มาแทนสิ แสดงว่ากิจกรรมที่จะเป็นกุศลของพวกเราจริงๆต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องไปสวดมนต์เท่านั้นใช่ไหมถ้าจะกวาดวัดเนี่ยเป็นกุศลได้ไหมจริงๆมันเป็นได้แต่เราทําได้ไหมถามจริงแล้วทําให้กุศลเกิดได้จริงไหมเวลาไปทําอาหารทําให้กุศลเกิดได้จริงไหมเวลาไปพูดกับสามีพูดกับลูกทําให้กุศลเกิดได้จริงไหมเห็นไหมจริงๆแล้วมันกุศลของเรามันจะเกิดเป็นพรัก แล้วเฉพาะตั้งเขียนเป็นกิจกรรมไว้มันรู้สึกมันจะตื่นเต้นหน่อยมันจะได้กุศลถ้าไม่ได้เขียนเป็นกิจกรรมว่าเวลานี้นั่งกรรมฐานเวลานี้ทําวัดสวดมนต์นี่เป็นปัญหามากเลยการเจริญกุศลลักษณะนี้มันขัดหลักการตัสรูรเลยสินะเอาขัดตรงไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุหตที่พระพุทธเจ้าตัสรูนั้นมีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งไม่มัดน้อยในกุศลไม่สันโดษในกุศลสอง เพียนแบบติดต่อก็คือการเพียนที่ติดต่อใช้วิริยะเนี่ยเกิดขึ้นประคองสติให้ติดต่อประคองศรัทธาประคองสมาธิประคองปัญญาเนี่ยเป็นดันผลักดันตัวศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่องเหตุที่ทรงได้บรรลุเนี่ยได้เหตุสองประการนี้นะแล้วก็บรรลุไ ด, ได้ได้ด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมทีนี้ของพวกเรามันเพียนแบบเป็นพักๆอยู่ แล้วไอ้พักไอ้ช่วงเพียรนน้อยด้วยไอ้เพียรที่จะให้กุศลเกิดน้อยด้วยไอ้ช่วงพักที่ให้ อ, อกุศลเกิดมันมากด้วยเอาเวลาเวลาฟังธรรมมาในขณะที่ฟังอยู่อย่างเนี้ยโยมสามารถตั้งสมาทานในใจไว้ไหมว่าจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นทําได้ไหมแต่กล้าตั้งไหมก่อนถามเนี่ยกล้าไหมนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปในขณะที่ฟังธรรมมาจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้น บาปอกุศลแรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะที่เคยเกิดขึ้นแล้วบาปเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาในกระแสชีวิตไอ้บาปเก่านี่มันชำนานนะบาปเก่าทุกิริษเก่าอกุศลกรรมเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแกเราเนี่ยชำนานไหมมันชานานในกระแสชีวิตนี้ไหมมันรู้ช่องรู้ทางเราหมดเลยนะใช่ไหมล่ะราคะเ ก, ก่าๆโทสะ เ, ก, เ ก, ก, บบก่าๆโมหะเก่าๆทุกิริษแบบเก่าๆความชานานแบบดังเดิมเนี่ยจำเจซ้ำซากที่เคยทําบาปเชื้อเชอประเภทนี้ที่ไรบาปก็เกิดทุกทีนะเคยไหม บาปประเภทนี้ง่ายไหมกับการเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเช่นเห็นหน้าคนนี้เทไรแล้วหมันไส้แล้วโกรธเนี่ยเห็นเทไรก็โกรธเห็นอะไรก็หมั่นไส้เห็นเทไรก็ไม่พอใจหรือเห็นอาหารชนิดนี้เมื่อไรแล้วแม้เป็นงานต้องต่อสู้กันเต็มที่เลยเนี่ยยังไงต้องไปกินให้ได้เนี่ยเคยเป็นไหมคือเห็นแล้วมันไอบาปเกา่าๆตัวจิตติ์เกา่ๆๆกาๆอักษรเกา่าๆเนี่ยที่มันชํานาญมากเนี่ยเราเคยสมาทานตั้งมั่นไหมนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึงความบื่ทุกข์ บาปเก่าตัวเจริเก่าส่วนแรกความเก่าเนี่ยจะไม่ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์กล้านีหยกล้าคิดแบบนี้่ันไหมถ้าไม่กล้าคิดเนี่ยโอกาสบรรลุยากแล้วนะอันนี้แค่ให้คิดก่อนยังไม่กล้าเข้าใจไหมบางคนกลับไปสงสัยอีกว่าไอ้คิดอย่างนี้จะทําทไม่ได้ใครจะจ ะ, จะว่าไงท่านเนี้ย ยังมีการต่อรองซ้ําซ้อนนี่เป็นความคิดที่ซ้ำซ้อนมากนะแบบเนี้ยกล้าคิดก่อนได้ไหมกล้าสมาทานก่อนได้ไหมกล้าตั้งใจก่อนได้ไหมยกกล้าไหมเอาใครกล้ า, ายก ม, มือด้วยทีมี ก, ม ก, กล้ากี่คนอ๋อไม่กล้าเลยเลยฮะเพิ่งจะเลิกวันนี้เองเลยถามอายุเท่าไหร่แล้วจะทันไหมเนี่ยจะทันไหม บาปเก่าวทุจริตก่าอักษรศาสรกรรมเก่าจะไม่ให้มาเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกยอมตั้งทุกวันนะแล้วสักเจวันตั้งเรื่อยๆๆๆๆแล้วยอมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเออเราจะไปเป็นคนแข็งแรงในการในการปฏิเสธบาปได้เร็วมากแต่ก่อนเราไม่กล้าปฏิเสธบาปแล้วกลัวราทะนุถนอมเขามื่อ แต่พอมาถึงตอนนี้มันเหมือนรู้สึกว่าเราเป็นคนแข็งแรงขึ้นมาหน่อยแต่ยอมอย่าประมาทนะจงตั้งต่อไปเรื่อยๆพอเห็นแข็งแรงมันหน่อยแล้วยอมอาจจะประมาทใช่ไหมเราเรารู้สึกเราเราโอเคขึ้นมาแล้วค่อยตั้งตลอดตั้งตลอดตั้งไปเรื่อยๆไม่ใช่ตั้งตลอดไม่ใช่วันหนึ่งตั้งครั้งเดียวนะตั้งเรื่อยๆตั้งเรื่อยๆการตั้งสติการเอ่อการการสมาทานตั้งมั่นอย่างนี้เออละได้อยังไงไอบาปใหม่ทุกจริตใหม่อคติลกรรมใหม่ยอมยอมเคเห็นไหมยอม ย้งเคยได้ยินข่าวเขาทาบาปกันวไหมนั่นแหละที่เราไม่เคยทําเลยนะแต่เห็นคนอื่นทําเราเคยสมาทานไหมว่าบาปชนิดนั้นะบาปใหม่ชนิดนี้จะไม่เข้าสู่กระแสะชีวิตของเราเช่นกันไม่ใช่ไปอ่านข่าวได้แต่วิาพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมเราไปด่าเขาไปแล้วเขาย่องเห็นปุ๊บเราก็ตั้งตั้งสมาทานว่าบาปเนี้ยเป็นบาปที่ไม่เคยเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของเราเลยเนี่ยบาปชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นมาทุกขาติดูข่าอาหลานจะฆ่าอะไรก็แล้วแต่ การตำหนิตีเตียนการทำบาปหนั ก, นกๆการช่อโกงคอร์รัปชันชอลาดบังหลวงอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ข่าวกันเนะี่ยมันยิ่งใหญ่ยังไงก็แล้วแต่เราบอกประกาศเลยว่าบาปใหม่อคุศลกรรมใหม่ทุจริตใหม่ๆเหล่านี้จะไม่ให้เข้าสู่กระแสะชีวิตของพระพเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวินาทีมั้นถึ ง, ถ, งถ้าอย่างนี้เริ่มโอเคแล้วนะบาปเก่ากับบาปใหม่ใช่ไหมพระเบบีเคยเคยด่าลูกด่าหลานด้วยความโกรธบ่อยๆเคยเป็นไหมอยู่กับใครก็หงุดหงิด ในแหละบาปทั้งเหล่านั้นพยายามละที่ละส่วนกุศลเราจะเจริญกุศลไงปกติเนี่ยกุศลพวกเราทํากันอยู่แล้วทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยทำกุศลเหล่านี้แบบไม่ติดต่อเท่านั้นเองฉะนั้นโยมสมาทานใหม่ว่าเราจะทําทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ยที่ยังไม่ติดต่อให้มันติดต่อที่เคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ย กุศลที่เคยเกิดแล้วเคยทํามาแล้วเช่นกุศลฟังธรรมก็ดีกุศลจากการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาทั้งสมถาวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่เจ้าทำเนี่ยแต่เราทําเป็นพักๆทําเป็นหย่อมๆเนี่ยทาแบบขาดช่วงยาวๆอะไรก็แล้วแต่แต่เราสมาทานบอกว่าเราจะทํากุศลนี้ให้เกิดขึ้นนี้ติดต่อให้ต่อเนื่องสมาทานเข้าไว้ตั้งใจเข้าไว้ถ้าทําอย่างนี้มันจะแข็งแรงเลยนะเนี่ยปิดบาปเก่าได้แล้วปิดบาปใหม่ด้วย แล้วก็จะเดินทานศีลภาวนาที่เคยเกิดขึ้นกับเรานี่แหละที่เคยทํากันนี่แหละจะแต่ต่อไปเราจะทําให้เข้มข้นมากขึ้นไม่ได้ทําแบบขาสติสมัมปชัญญะจะมีสติสมัมชัญะเกิดขึ้นในติดต่อแล้วก็จะเดินในติดต่อและต่อเนื่องนะข้าวในข้ามันจะเริ่มระยะมันจะถี่ขึ้นจากการที่มันเอ้ยทําช่วงห่างมากเวลาเรินกุศลใช่ไหมนะข้าวในข้ามันจะเริ่มมาปรับให้ใช้ได้ในชีวิตจริงในการเดินกุศลในติดต่อต่อเนื่องได้นี่เรื่องได้ ทีนี้กุศอที่ยังไม่เคยเกิดกับเราพวกศีลวิสุธทธิจิตตวิสุธทธิโอไล่ไปเถอะศีล ส, สมาธิปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปศีล ส, สมาธิปัญญาในระดับอุปจาระศีล ส, สมาธิปัญญาที่ในระดับอุปนาสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาในระดับวิปัสนาญาณทั้งหลายเนี่ยที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเพียรพยายามเพื่อจะทำให้มีให้เกิดขึ้นให้ติดต่อต่อเนื่องจนถึงความไพ่บุ์พิญโยภาพให้ยิ่งยิ่ ง, งจนถึงนู่นอะไปประชุมในโลกุตละได้เมื่อไหร่เนี่ยนี่ตั้งเลย ถ้าตั้งลักษณะนี้ได้ก็ชัดเลยอยู่ไหมล่ะเราจะเห็นชัดว่าเวลาพระบริษัทธท่านปฏิเสธบาปเนี่ยท่านแข็งแกร่งมากไม่มีอ้อยอิงไม่เลือวอีดีหรือไม่ดีไม่มีอย่างนั้นเลยแบบประเภทปฏิเสธชัดเลยอย่างนี้นะเนี่ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือความพิเศษมีอยู่ตรงนึงก็คือว่าท่านบอกว่ากิเลสกรรมเนี่ยคือโลภและร า, ราคะเนี่ยท่านบอกว่าท่านเรียกว่าเป็นเสียนัก กองทัพกองที่1ของท่านคือของมารความไม่ยินดีอรติความไม่ยินดีในการเจริญกุศลความไม่ยินดีในเจริญสินในการเจริญสินสมาธิปัญญาเราเรียกว่าเสนากองที่สองของท่านความหิวกระหายเราเรียกว่าเสนากองที่สามของท่านตัณหาความแตยานอยากเราเรียกว่าเสนากองที่สของท่าน ถีนามิทะความหดหู่ท้อถอยเราเรียกว่าเสนากองที่ห้าของท่านมักขะความรบหลูและทํำภาคความหัวตื้อเรียกว่าเสนากองที่แปดของท่านลาบยศสารเสริญสการะที่ได้มาอย่างผิดๆเราเรียกว่าเสนากองที่เก้าของท่านการยกตนการของผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่สิบของท่านมานเอยเสนาของท่านผู้มีธรรมดานี้ ทั้งมาและพรมานต่างก็ประกอบไปได้ทดําฝ่ายดํานี้มีปกติกําจัดสมาณาธรรมคนขาดเอาชนะเสนามานเหล่านั้นไม่ได้แต่คนกล้าเช่นเราท่านน้นเ่ยคนกล้าเช่นเราเอาชนะเสมาเสมาได้แล้วย่อมได้รับความสุขว่าคนกล้าอย่างพระโพธิสัตว์คนกล้าอย่างพระส า, ารีบุตรพระมโมคคานะแต่กอดเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้คนกล้าหานแก้วกล้าอาจาันที่จะ ดำเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาเอาชนะเสนามานได้แล้วย่อมได้รับความสุขก็คือได้ย่อมได้รับมคสุขและผลและสุขได้โรคุตระสุขเพราะได้รับความสุขท่านว่าเพราะได้รับความสุขเราจรึงรักษายญ้ามุงกระต่ายไว้ถ้าการมีชีวิตอยู่แล้วหน้าตีเตียนเรายอมตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วมีชีวิตอยู่จะประเสริฐอะไร ตรงนี้เขาบอกทหารเนี่ยนะเวลาจะเข้าสู่ในสนามหรือในสมรภูมิลเขาจะมีสั ญ, ญลักษณ์ที่จะทำให้เขามีพลังในการต่อสู้นแต่ก่อนก็จะมีการผูกหญ้าผูกหญ้ามงกต่ายไว้บนศีรษะหรือว่าผูกไว้ที่ธงเป็นต้นถ้าปัจจุบันนี้ก็จะมีธงไทยธงชัยเฉลิมพลใช่หนั่นแหละเขาจะมีธงนั่นแหละผูกไว้ที่องค์หรือที่อาวุธ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวตรงนี้ก็ไว้ก็บอกว่าเรานั้นจะรักษาเหมือนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเช่นภิกษุก็จะรักษาอะไรธงชัยเป็นต้นเหล่านี้ก็คือจะรักษาศีลสมาธิปัญญานี่แหละไว้แล้วก็บอกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างหน้าตีเตียนเรายอมตายในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่จะประเสริฐเถ้าเมื่าถ้าเราแพ้ตันหาแพ้แพ้ราคาโทสามโมหะ แต่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่อย่างผู้แพ้อยู่อย่างบคุคคลที่เป็นทาตุใช่ไหมเมื่อสักครู่เมื่อก่อนหน้านี้บอกว่าขอมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนําชีวิตขอมีพระธรรมเป็นหลักนําชีวิตขอมีพระสงฆ์เป็นหลักนําชีวิตก่อนหน้านั้นก็บอกว่าขอถวายอัตภาพนี้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แปลว่าพวกเราเนี่ยมาสมาทานเป็นพุทธบริษัทเนี่ยอัตภาพคือขนันห้าเนี่ยเราถวายแด่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ให้กิเลส ถวายแด่พระธรรมไม่ได้ให้แก่กิเลสถวายแดระสงฆ์ไม่ได้ให้กิเลสแก่กิเลสใช่ไหมหลักการก็อย่างนี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ทีนี้เมื่อเราได้สมาทานแบบนี้แล้วโดยข้อเท็จจริงของพวกเราชีวิตของพวกเราจริงๆเราทํายังไงพอราคาความกําหนัดเกิดขึ้นมาเราปฏิเสธเขาไหมความยินดีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นมาเราใช้บริการเขาไหมเรากล้าปฏิเสธเขาไหมบอกไม่เอา ตอนนี้ฉันเป็นทาสของพระพุทธเจ้าฉันสบายอัตภาพนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้วรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกระแสชีวิตเนี่ยข้าพเจ้าได้ถวายกับพระพุทธเจ้าแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจะเดินดำเนินตามพระพุทธเจ้าตนนั้นจะไม่ ด, ดำเนินตามราคะโทสะโมหะฉะนั้นท่านมาช้าไปแล้วบอกเราได้สมาทานตอนที่ไปนั่งฟังธรรมวันที่ยีบเก้าได้สมาทานเรียบง่าย <laughs> เวลาบอกเวลาไว้ด้วยจดบันทึกทำได้ไหม ลายแค้นอะไรก็ต้องบวชคืดต้องเลิกาหมดเลยครับอันนั้นไม่ใช่กิเลสนี่ราคานี่มันราคาโทสะโมหะนี่ก็เป็นค่าสุดภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในใช่ไหมเราถูกราคาโทสะโมหะเนี่ยห้ามหั่นย่า ย, ยีปัสสาวตลอดมันโดนปัสสาวมานานแล้วเจ็บปวดมานานแล้ว <c oughs> กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ย ที่เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของท่านผู้ใดก็เป็นเพชฌฆาตเป็นฆาสศึกใช่ไหมเบียดเบียนกระแสะชีวิตของท่านผูนั้นจริงไหมจริงฉะนั้นเรามีฆาตศึกเรามีเพชฌฆาตภายในอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็คบกับเขาอยู่แต่พอมาวันนี้เราศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจึงแยกแยะออกว่าอะไรเป็นศัตรูอะไรเป็นมิตรเราก็เลยบอกว่าเราต้องการปฏิเสธศัตรูนี้ทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยจะไหมต้องการปฏิเสธด้วยบางคนก็บอกว่าขอไปคิดดูก่อนเนะี่ยอย่างเงี้ยมันคิดมานานแล้ว เราควรจะตัดสินใจได้แล้วเอาให้แน่นอนอย่าใหเมื่อปุนี่ฉันกล่าวค้างไว้ตอนเขาําทั้งดำและขาวเราเป็นคนกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมค้าเข้ากันไปอยู่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเป็นลักษณะอย่างนี้แปลว่าความลังเลสงสัยในชีวิตของเราเนี่ยมันสูงจัดสูงจัดเขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่าโมมูหจิตเนี่ยโมโมหจิตเนี่ยเขาเรียกว่าหลงยกกำลังสอง ต้องถามอาจารย์สุรพงศ์ว่าเแปลยังไงมอวัชใช่ไหมเห็นอติสยะใช่ไหมมันก็หลงอย่างยิ่งหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินหลงจนลังเลสงสัยว่าแยกบุญแยกบาปไม่ออกมันแยกไม่ออกแยกชีวิตไม่ออกไม่รู้จะเดินทางไหนพอไปไปเสร็จเ อ, อ๊จะเอายังไงเราพอไปตรงเนี้ยจะเอากุศลหรืออกุศลมันแยกไม่ออกเข้าใจไหมเนี่ยเอาสรุปแล้วก็ อ, อกุศลบ้างกุศลบ้างกุศลบ้างอากุศลบ้างอยู่อย่างเงี้ยตกลงเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นลังเลสงสัยในชีวิตแบบเนี้ยล้วกล้าบอกความจริงกับลูกหลานไหมว่าพ่อเป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่เป็นลังเลสงสัยในชีวิตไม่กล้าดําเนินไม่กล้าทําดีเต็มที่จะบาปท่าสุดๆก็ไม่กล้าเต็มที่แต่ว่าพ่อและแม่อยู่ประเภทอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็บาปเนี้ยกล้าบอกเขาไหม หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปก็ความสิ้นกรรมอันนี้ก็คือตั้งเจตนาเจตจานงอย่างมุ่งมั่นเลยว่าจะเจริญมรรคกรรมก็คือจะเจริญสติปัฏฐานสมธิปัญญาอิทิบาทอินทรียีพระพุทธชงเนี่ยที่จะมีอโน ป, ปา่าทาป น, นิพันธ์เป็นจุดหมายให้ได้แล้วตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจแบบ15วันครั้งด้วยนะไม่ใช่นะตั้งใจทุกวันทุกวันทุกวั น, วนแล้วบ่อยๆด้วยว่าเรากําลังจะประกอบมรรคกรรมเจริญสีนสมาธิปัญญาเนีเา้นทงน กรรมดำกรรมขาวก็ไม่เอากรรมขาวก็ไม่เอากรรมดําก็ไม่เอาใช่ไหมดํามันก็ลงอภัยทุกขติวิธบัตโลกขาวมันก็ไปสุกติโลกสวรรค์ทั้งดำทั้งขาวมันก็คล้าเขาเดี๋ยวก็หูหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละไม่เอาแล้วเราจะเดินทางนี้ทางเดียวเป็นบุคคลที่มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ถวายอัตภาพนี้เด็กพระเจ้าก็ทมพระเรียรสง์เรียบร้อยแล้วแล้วไม่เป็นอื่นจริงจังเลยแนะ่นอนอย่างนี้เป็นไหมเป็นอยน่จริงไหม <laughs> พอพูดอย่างนี้พอมีกําลังใจขึ้นมานิดนึงไหม เดี๋ยวกลับไปบ้านค่อยอ่อนแอต่อพรากลับไปบ้านก็บอกว่าตอหน้าพระก็ต้องขึงขังหน่อยเพราะพระก็ไมด้มีกําลังใจในการเก่าว่าท้องเดี๋ยวเก่าไปฉันก็เป็นฉันอย่างนี้แหละขนาดไปนั่งฟังพระยังไม่กล้าปล่อยศรัทธาไปในพระรัตนตรัยเต็มที่เลยใช่ไหมยังระแวงอยู่ว่าเอีถ้าเราเกิดศรัทธาเต็มที่แล้วเนี่ยชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปมากไหมบางคนคิดขนาดนี้ เคยคิดแบบนี้ไหมอออไม่คิด เ, เลยไม่เป็นไรหรอกมีเยอะนี่แหละจะได้มีแบบอย่างที่ไม่ดีให้เห็นใช่ไหมถ้ามีน้อยจีิงจิมันจะหาแบบอย่างไม่ดียากน ะ, ะ <c oughs> พอมีเยอะขึ้นมาเอาจจะสมมติน ะ, ะถ้าเราเห็นคนอื่นเขากาลังกําลังประสบปัญหาชีวิตเต็มไปหมดเนี่ยโอ้เราจะมาละลระมัดระวังตัวเองมากใช่ไหม ดั้นตรงเนี้เราเห็นจริงไหมเห็นด้วยปัญญาไหมถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงๆโอ้โหเราจะเดินตามศีลสมาธิปัญญาด้วยความระมัดระวังโอ้โหจะไม่กล้าโดดลงไปเลยมันเจ็บปวดนี่ถ้าเดินมักระโดดลงไปหาโลภะโทสะมหสกระโดดไปหากายยทุติจดิลวัชิทุจริลมโนทุจริล โ, โอ้โหเจ็บปวดนั้นมองเห็นไงถ้าเรามองเห็นอย่างนี้โอ้โหเห็นตัวอย่างเต็มไปหมดเลยมองซ้ายก็เห็นมองขวาก็เห็นในบ้านยังเห็นเต็มไปหมดเลยโอ้โหจะมีความชื่นใจมากเลยระมัดระวังได้ดีมากใช่ไหมเททวูพเต็มไปหัน อ่ะตรงนี้ถ้าถ้ามองอย่างนี้ก็คือกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยก็คือเจตนากรรมที่ต้องการมีเกียรติจำนงความจงใจตั้งใจที่จะทําศรัทธาธรรมดาให้เป็นภาวนาศรัทธาจะทําวิริยะธรรมดาให้เป็นภาวนาวิริยะจะทําสติธรรมดาให้เป็นภาวนาสติให้เป็นสมาให้สมาธิธรรมดาเป็นภาวนาสมาธิให้เป็นปัญญาธรรมดาเป็นภาวนาปัญญาก็เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นปกติ ปกติก็คือไม่มีพลังไม่ได้มีพลังอะไรเลยถ้าหากภาวนาศรัทธาออกจากอสัตถิยะความไม่มีศรัทธาได้ถ้าเป็นภาวนาวิยะก็ออกจากโกสัจฉะอกุศลได้นะีส่วนภาวนาสติก็ออกจากมุทตัสติคือการหลงลืมเลอะเลือนจะระลึกในกุศลระลึกในความดีแต่ละครั้งระลึกเลยไ ม, ไม่ออกเลยนี่นะมันถูกบากครอบงําอย่างหนักเลยแล้วก็ภาวนาสมาธิก็คือมีความตั้งมั่นแน่วแน่ออกจากอุทธัจฉ์ความฟุ้งซ่าน ส่วนภาวนาปัญญาปัญญาที่มีความรู้ชัดรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างนี่ก็เริ่มชัดขึ้นแล้วแต่ย น, นพอเห็นหรอยังว่าจริงๆก็คือหลักการจริงๆก็เรา จ, จ, จ, จะดำเนินชีวิตยังไงทีนี้ย้อนนิดนึงก็คือว่าเมื่อเมื่อท่านบอกว่ามานเออยเนี่ยท่านบอกว่าเพราะได้รับความสุข ท่าบอกสาวน้าพราบบางพวกตกอยู่ในอำนาจของเสนามารท่านแล้วย่อมไม่มีเกียรติคุณปรากฏและย่อมไม่รู้ทางที่พวกท่านผู้มีวัดดีก็เช่นไม่รู้ทางของพระปจเจ้าพระทเจ้าและพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ดําเนินไปอยู่คือมารผู้มีบาปเนี่ยพอได้ฟังพระดำหลักของพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยไม่พูดอะไรอีกแล้วก็หนีไปทันทีเลยตอนนั้นแหละพอมารหนีไปแล้วเนี่ยพระมหาสัตว์ก็ยังไม่บรรลุธรรมวิเศษเนะ เพราะมุ่งแต่บําเพ็ญทุกพฤยาตอนนั้นแล้วต่อมาท่านก็นมาพิจารณาบอกว่าหนทางที่จะตัดสู้สัมมาสัมพุทธิยานคงไม่ใช่หนทางนี้แน่และท่านก็เลยย้อนกลับไปถึงตอนสมัยเป็นเดก็กที่เรารู้กันมานี่แหละเมื่อย้อนไปถึงตอนสมัยที่เป็นเด็กท่านก็เลยนึกถึงตอนที่ท่านได้สมาธิจากการเจริญอาณาปานาจเมื่อท่านระลึกถึงตรง น, นั้นแล้วท่านก็กลับไปบริโภคอาหารเบ็ดเสร็จแล้วก็บําเพ็ญจนร่างกาย กลับมาเต็มที่แล้วก็ทํานทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นด้วยการเจริญอาณาปณะสติเป็นต้นแล้วก็พอถึงน้ไกลวันเป็นขึ้น15คห้าท่านก็ไปรับข้าวพระทุญาติอย่างที่เรารู้ในรายละเอียดกันนั่นไม่เข้าไปเพราะไม่ต้องการมาเล่าในรายละเอียดในพุทธประวัติตรงนั้นแต่ว่าต้องการสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าการที่เราจะแข็งแรงในพรัตนาไตรในคุณในพระธรรมพระสงฆ์พุ้ทา่านเนี่ยเป็นสารณะใช่ไหม เพราะว่าย่อมเบียดเบียนก็คือกําจัดนําออกก็คือว่านําความกลัวของสัตว์ทั้งหลายนําภัยอันตรายทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะในฐานะที่ว่าความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วยการที่ย้ําสัตว์ทั้งหลายให้ประพฤติในทางที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายที่ เบียดเบียนกันอยู่ฆ่าศัตว์เป็นต้นพุทธเจ้าก็ดึงสักว์เหล่านั้นให้น้อมออกมาจากการฆ่าแล้วก็น้อมม า, มาสู่การไม่ฆ่าปไปเลยจากการที่ไม่มีศรัทธาให้มาอยู่ในศรัทธาไม่มีความเพียรไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญาทั้งหลายก็ให้กลับมาอยู่ในอินทรีย์ห้าพลังหเป็นต้นงั้นพุทธะจริงว่าย่อมเบียดเบียนราคะโทสะโมหะนี่เป็นภัยการยโทเจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็เป็นภัย อบายทุกขติวินิบาตนรกหรือว่าวัฏฏะทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏก็เป็นภัยทั้งนั้นเลยงนั้นความกลัวความหวาดสะดุ้งทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในใจสัตว์ทั้งหลายอยู่เนี่ยเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่มีสลาณะไม่มีพุทธะเป็นสลาณะก็ไม่สามารถกําจัดภัยในกระแสความคิดและในกระแสชีวิตของตนเองให้หมดพ้นไปได้แต่ถ้ามีความแข็งแรงมั่นคงในพระตาณาตรัยก็จะสามารถกําจัดภัยเหล่านั้นเป็นต้นได้ทีนี้ธรรมะเนี่ย ธรรมะในที่นั้นคืออริยมรรคใช่ไหมหมายถึงอริยมรรคเป็นสารณะก็คือเบียดเบียนก็คือกําจัดนําออกซึ่งภัยก็คือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วยด้วยการที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากกัณดานคือพบฉะนั้นการที่จะพ้นจากอบายทุกติวิบัตินรกได้ก็ต้องได้โสดาบดิมรรคนี่เป็นเครื่องกําจัดภัยอย่างแท้จริงการที่จะพ้นจากวัตตะ ทั้งหลายคือการไปเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ในภพทั้งหลายเหล่านี้ในสังสารวัฏเนี่ยก็ทําอริยมรรคทั้ง4กล่การคืออรหธรมมรรคให้เกิดขึ้นก็สามารถกําจัดภัยภายในที่คือกิเลสภัยภายนอกก็คือการได้รับกระแสของชีวิตที่ไปเกิดตามภพภูมิต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นี้เป็นต้นสังฆเนี่ยส่วนนิพพานก็เป็นสารณะนะเบียดเบียนก็คือกําจัดนําออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้ความยินดีในธรรมมก็คือสภาพเป็นความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง สังฆาเป็นสารณะก็คือเพราะย่อมเบียดเบียนกําจัดนําออกซึ่งภัยก็คือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายเพราะอะไรทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เฉพาะซึ่งผลอันภัยบุญพระสงฆ์นี่เป็นทักษินายาบุคคลอันเลิศยอดเยี่ยมบุคคลหวานพืชคือกุศลลงในสงฆ์ที่มีวเจาว้าเป็นประมุกมีวัตถุทานอันน้อ ย, ยแต่ก็ทําผลอันภัยบุญให้เกิดขึ้นเป็นต้นรวมแล้วก็คือว่าพุทธธรรมสังฆาเนี่ยเป็นสารณะก็เบียดเบียนนําออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลาย โดยการยังสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกอบายทุกขติวิบัติหรือทุกในสังสารวัตทั้งในระดับที่ป้องกันไม่ให้ตกไปในใบหูมด้วยแล้วก็พ้นจากภัยในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายเป็นต้นด้วยนี่แหละถ้ามองงนี้ก็เลยือว่าถ้าเราเข้าใจคําว่าการถึงสาระที่ชัดในปัจจุบันนี้เราเข้าถึงได้โดยโลกิยาสาระคมเมื่อสักครู่พูดถึงโลกุตละ ถ้าโลกียะเนี่ยท่านหมายถึงอะไรสภาพของโลกิยะก็ต้องเป็นกุศลที่เกิดขึ้นทีนี้กุศลที่เป็นโลกียะธารนคมที่ชัดเจนจริงๆก็ต้องเป็นกุศลที่เกิดร่วมกันกับปัญญาด้วยใช่ไหมทั้งเจตนาทั้งศรัทธาทั้งปัญญาที่เกิดขึ้นในกระแสความคิดที่มีความรู้มีความเข้าใจในคุณของพระราชาตรัยอย่างแท้จริงด้วยถ้าหากว่าเป็นกุศลที่เกิดขึ้น โดยไม่เกิดความรู้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจในคุณของพระราตนาตรยัยการถึงสถานทคมเหล่านั้นก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แข็งแรงเขาเรียกว่ายังมีความเศร้าหมองอยู่เหตุที่เศร้าหมองถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนคําว่าการที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยราคาโทสาวมุหะ ก็ก็นึกถึงไอ้สภาพจิตในขณะนั้นน่ยมีความกําหนัดมีความถัดเคืองมีความมัวเมาลุม่มหลงในขณะนั้นชื่อว่าไม่เรียกว่าการถึงสลายนาใช่ไหมเพราะเป็นอกุศลแต่การที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วตอนนั้นกุศลจิตเกิดขึ้นมาด้วยและในขณะที่เราเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเกิดขึ้นถึงว่า อ, อย่างเช่นเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองคเอง ข้าพเจ้าอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้นะไอ้พอคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กลจากราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าดับเครื่องกิเลสคือรารคะโทสะโมหะและทุเจติตั้งหลายเนี่ยโดยสิ้นเชิงแล้วข้าพเจ้าอภิวาสนี่หมายถึงเราตั้งเจตนาซ้อนในนั้นอะไรรู้ไหมข้าพเจ้าเนี่ยมีความตั้งมั่นปรารถนาที่จะออกจาก ต้องการจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เราเราคิดอย่างนี้ไหมเวลาเราท่องเราสวดว่าอารหังตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกวเนี่ยเราคิดอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ก็แปลว่าการระลึกถึงของเราเนี่ยไม่ชัดถ้าระลึกที่ชัดมันต้องระลึกด้วยเจตนาได้วศรัทธาได้ปัญโดยเฉพาะปัญญาที่รู้และเข้าใจใช่ไหมว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆเราเชื่อมั่นอย่างนั้น ดับเพลิงี่เลสทั้งหมดหม ด, หมดสิ้นแล้วพระเจ้านั้นทั้งรูปขันเวทนาสัญญาสังขารมิญาณเนี่ยเป็นวิสุทธิขันและขันที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากกิเลสแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ได้คุณทั้งหลายก็ว่าไปแต่หลักการก็คือว่าพระเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วเราแหะตอนนี้เราเป็นมนุษย์ธรรมดายังไม่ได้เป็นพุทธะคือสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างที่พระเจ้าเลยแต่เรามาอภิวาสมากราบไหวมาบูชา แปลว่าเราเนี่ยมาตั้งเจตานาเจตจำนงว่าเราจะฝึกทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาพฤติกรรมที่ไม่มีศีลให้มีศีลสภาพจิตใจที่มันถูกนิวรณ์กุ้มรุมเนี่ยให้เป็นไปกับวิริยะสติและสมาธิทัศน์าความเห็นที่มีถูกต้องให้เป็นไปกับสมาธิติและสมาสงาังกปักก็คือจะฝึกตนเองเนี่ยจากมนุษย์รรมธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธเป็นผู้รู้อริยสัจเป็นผู้ตื่นจากกิเลสคือความหลับไหลคือความประมาทเป็นต้น แล้วเป็นผู้เบิกบานคือเป็นอิสระเสรีภาพตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เวลาเราให้พระพุทธเจ้าเราคิดแบบนี้ไหมถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเลื่อนลอยทีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลื่อนลอยทีก็กราบไปใช่ไหมเราเรากราบมานานแล้วแล้วก็สอนให้เด็กกาบแบบนี้มานานแล้วต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่กราบแล้วกราบมันดีดีกว่าเด็กน้อยได้ไหม กลาวไม่รู้เรื่องรู้ราวหน่อยใช่ไหมกล่าวเพืมันได้กำลังใจกล่าวเพืมได้หลักการกล่าวให้มีพระเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตถ้าอย่างนี้มีพระเจ้าเป็นหลักดําเนินการดําเนินชีวิตนะีทีนี้พอกลา่าวก็ทำล่ะทำไงสว่างขาตัวพระว่าตาธรรมโมเป็นต้นใช่ไหมเพราะทำมีอะไรมรรคสผลสนิพพานหนึ่งอะไรอีกหนึ่งทำสอนไงประเด็ที่ทําอีกหนึ่งเป็น10ใช่ไหม อาตามก็แล้วกันเดี๋ยวจะทําไม่ช้ามักสี่ผลสี่นิพานหนึ่งปริยัติธรรมหนึ่งใช่ไหมทีนี้พระธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยศีลสมาธิศีเอาเอาเอาเเอาแบบเบื้องต้นเลยศีลเป็นความงามในเบื้องต้นของพระธรรมสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางปัญญาเป็นความงามมันสูงสุดใช่ไหมของพระธรรมใช่ไหมเวลาเรากราบพระธรรมเราก็บอกว่าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีล ความงานในท้ำการคือสมาธิความงามอนที่สุดคือปัญญาของพระธรรมนี้ให้ได้แล้วก็กราบลงไปได้ไหมทําได้ไหมแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยพอจะชัดหน่อยใช่ไหม <c oughs> โอ้ยเริ่มจะเห็นพระธรรมขึ้นมานิดนึงแล้วแต่เนี้ย <c oughs> ถ้า่งนั้นก็สว่าขาโตอยู่เรื่อยนี่แหละ <c oughs> แล้วก็เลยไม่ถึงสัาทีเดี๋ยวถ้าถ้าโลูกถามมาก็จะตอบโลกไม่ได้ <c oughs> เริ่มเริ่มจะกราบพระธรรมได้นิดนึงหรือย่างแตนเนี้ย พอจะเห็นช่องทางในการเข้าถึงวธรรมบ้างนั้นศีลจะทํ า, าทให้อะไรงามพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและอาชีพให้งดงามสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะใช่ไหมเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิคือวิริยะสติสมาธิเนี่ยแต่เป็นองค์ขอสมาธิเพียรในการระ บ, บาปเป็นต้นแล้วก็สติในการระลึกได้ตามระลึกได้เนี่ยแหละแล้วก็สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตจะได้การในราย การนิวัรธรรมนี่กามาฉันทาเป็นต้นไม่ให้กุ้มรุมจิตใช่ไหมฉะนั้นข้าพเจ้าจะฝึกตนเองเนี่ยจิตของตอนเองเข้าถึงความงามของพระธรรมในระดับท่ากลางให้ได้ได้ตั้งแบบนี้ไหมความงามมันสูงสุดคือปัญญาก่อนก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบกับดําริชชอบเนี่ยตอนนี้ทัศนาความเห็นของเราเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยตรงเพราะยังไม่เข้าถึงความงามในระดับปัญญาใช่ไหมงั้นเวลาเรากล่าวพระธรรมเราบอกวข้าพเจ้าเนี่ยจะฝึกตนเอง ให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลความงามในถ้ำกลางคือสมาธิความงามสูงสุดคือปัญญาของพระธรรมนี้ให้จงได้แล้วก็กราบลงไปกราบนานๆมันจะได้รู้ว่าจําแล้วจําแล้วเนี่ยมันจะได้จำไปจำก็ไปในความรู้สึกจริงๆจะทําอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้เข้าใจไหมฉันผู้ยายามเข้าใจไหมเข้าใจไหอยู่ดีเราไม่รับยอมก็ไม่ยอมตอบแล้วก็เข้าใจแล้วจ้าก็บอกเออไอ้เงี้ยชื่น ส่วนจะบอกว่าศีลสมาธิส่วนศีลสมาธาวิปัสสนาเป็นความงามในเบื้องต้นอริยมรรคอริยผลเป็นความงามในท่ามกลางนิพพานเป็นความงามที่สุดอีกในย่าหนึ่งว่าไปเดี๋ยวเอาระดับนี้ก่อนเอาระดับนี้ก่อนทีนี้กราบพระธรรมได้แล้วเหลือพระสงฆ์ดีๆยังไม่ได้กราบพระสงฆ์กันเลยจะหมดเวลาแล้วกราบพระสงฆ์ท่องยังไง แปลได้ไหมเนี่ยไปแล้วเหลือแปลกันคนละทิศละทางกันอู่สงสาววกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วใช่ไหมข้าพเจ้าอะไรนอบน้อมประสงค์ใช่ไหมสงสาววกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแปลว่าอะไรเป็นสุ ป, ปฏิปันโนบุคคลสุ ป, ปฏิปันนะบุคคล คำว่าปฏิบัติดีก็คือการปฏิบัติดําเนินไปตามอะไรเอ่อมัชฌิมาปฏิบทาคําว่าปฏิบัติตรงเนี่ยอุชุปฏิปันโนก็คือว่าปฏิบัติไปตามนี่แหะตัวมัชฌิมาปฏิบัติก็คือเพื่ออนุปาทานปฏิปันธ์ใช่ไหมปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็คือเนี่ยดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะออกจากวัตถทุกข์ปฏิบัติสมควรไอ้คาว่าสมควรเนี่ย สมควรต่อการที่จะแทงตลอดอริยสัตว์สมควรแก่การที่จะบรรลุอริยามรรคอริยผลสมควรแก่การที่จะบรรลุถึงปณิพานธ์เห็นไนี่เขเรียกสมควรสมควรตามตามที่อ่านมืออริยสงฆ์นั้นท่านสงสาวของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีข้าพเจ้าเนี่ยนอกน้อมเนี่ยแปลว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากปุถุชนคนมืดบอดกลุ่ม จากความเป็นผู้มืดบอดที่เป็นอันธพุลุชนเข้าถึงความเป็นกัลยาบุรชนและจากกัลยาบุรชนยพัฒนาก็้าถึงความเป็นอาริยะบุคคลตามหมู่อาริยสงฆ์ให้จงได้ใช่ไหมเว ล, วลาเรากราบก็ให้นึกอย่างนี้มนาสิการอย่างนี้ใส่ใจอย่างนี้โอ้ถ้าอย่างนี้มันก็ตื่นเต้นในการกล่าวใช่ไมถ้าอยางนั้นก็หลับๆตื่นตื่นก็ได้ง่วงนอนก็สวดสวดมวูมนก่อน แล้วตลาดก็เลยไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ยยิ่งไม่สวดใหญ่ยิ่ง น, น่าเกลียดใหญ่เลยไม่รู้เลยว่าพระเจ้าอยู่ทั้งทิศไหนเลยนอนพวดไปเลยเคยเป็นไม่ไมรู้พระเจ้าอยู่ทั้งทิศไหนนอนเลยตอนตอนสมัยเป็นเป็นเด็กครูครูว่าถามถามว่าก่อนนอนมีสวดมนต์ไหมบอกไม่ได้สวดครูก็ชี้ไปที่สุนย์ัก เอออย่างสุนัตตอนนี้เวลาผก่อนจะนอนมันจวดมลไหมผมไมันทำยังไงผมนบนบนใส่ต่อนนอนแล้ว <c> เ <oughs> ขาถามมาว่าแล้วเองเป็นอย่างนั้นไหมก็บอกเป็นแบบนั้นโอ้โหตั้งแต่นั้นคิดเลยไม่ได้แล้วเราเป็นมนุษย์ต้องฝึกตัวเองหน่อยอยู่ฮะทีนี้กิริยาการเข้าถึง การการถ้าเราไม่เข้าใจเนีเพราะว่าจริงๆคําว่าคัตฉามีเนี่ยมันแปลว่าการไปแปลว่าถึงแต่ยังหมายถึงการรู้และเข้าใจในคุณของพระราชนตรัยอย่างถูกต้องด้วยทียนี้การถึงสันนคมที่เป็นโลพิยะเนี่ยที่พวกเราถึงกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเศร้าหมองและมีผลน้อยเศร้าหมองคืออะไรหนึ่งอายานะการถือไตรสันนัตคมโดยปราศจากปัญญา คือไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์และไม่รู้ไม่เข้าใจที่จะปฏิบัติอย่างไรในสาธารณาคมอันนีนะ้ขาดปัญญาขาดข้อมูลขาดสุดตรด้วยนืขาดข้อมู ล, นะมลแล้วก็บางคนได้สุดตรไปก็จริงเนี่ยได้ข้อมูลไปก็จริงรู้แบบไม่ลึกไม่เอาไปพิจารณาวิจัยแยกแยะให้มันลึกกว่าเดิมและเข้าใจกว้างกว่าเดิมและการที้เข้าประจักษ์ท่านไม่ต้องพูดถึง สังสยาก็คือการถึงไตส ร, รณคมใยความเครือบแคลงสงสัยเช่นสงสัยพระรัตนตรัยว่าเอ๊ะเป็นส ร, รณะเป็นที่พึ่งไดจริงหรือไม่เอ๊ะมันจะมีบุญแก่ผู้นับถือได้จริงไหมในสงสัยแบบเนี้บางทีสงสัยถึงพระทเจ้ามีจริงหรือไม่ใช่ไหมพระธรรมเนี่ยจะสามารถทําให้เราพ้นทุกจริงหรือพระอริยสงฆ์จริงๆคนที่หมดจากกิเลสและกลองทุกข์ไม่เชื่อว่าจะมีจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย บางคนสงสัยว่าดําเนินชีวิตตามศีลสมาธิปัญญาตามศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะพ้นทุกข์จริงหรือเนี่ยสงสัยแบบนี้แครงใจสงสัยถึงขนาดว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ามันมีจริงหรือมีคนที่บําเพ็ญบา ร, รมีมาจนสามารถสัตรุลนุตตะสามาสามาสมพุริยานเป็นพระสัมมาสามพุระเจ้าได้จริงบาเป็นบารมี10อุปบารมีสิปรมัตถะไม่มีสิรรรรรสเป็น ต, ต้นเหรือเนี้ย จนสามารถแทงตลอดอริยาาสัจสี่ตัดสรู้ได้ด้วยตนเองสามารถประกาศหลักการให้คนอื่นตัดสรู้ได้ตามเนี่ยมีบุคคลนี่จริงหรือหรือมีการเมค ก, กันขึ้นมาหรือเปล่าเลยสารพัดนี่การสงสัยรักในที่สงสัยนะสองก็สงสัยในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นอริยามรรคบีงแปดนี่แหละว่าถ้าดําเนินไปตามเนี่ยมัตชิมาปิปทานเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็สงสัยหมู่อริยสง์ว่ามีจริงหรือคนที่จะเข้าถึง การทำกิเลสและกองทบให้หมดสิ้นไปจริงๆเคยไหมเคยสงสัยแบบนี้ไหมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสังสยาสงสัยลักษณะอย่างเนี้ยสารณะเศร้าหมองเศร้าหมองประการที่สก็มิจฉาญานะคือการถือตรไรสารณคมแบบรู้ผิดนับถือพระรัตนณะตรายอย่างเป็นของขังหรืออย่างเออเหมือนบางคนบอกว่า บางทีเชื่อเรื่องดวงดาวคยยอยอมยอมเชื่อไหมไม่เชื่อช่วงนี้อ่ะที่ภาวะเศรษฐ ก, ฐกิจไม่ดีเพราะดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันมาทับลัคนาโอราศีนี่ทับราศีนี่มันยังไม่ย้ายออกฉะนั้นช่วงนี้จะทํากันแทบตายยังไงเศรษฐกิจก็ไม่ดีรลยเคยเคยเชื่ออย่างนี้ไมไม่ทีนี้เราเชื่อเรื่องมองคลภายนอกศาสนาใช่ไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าไงพระพุทธเจ้าบอกว่ากายกรรมกายกรรมที่เป็นทุจริตกายกรรมที่เป็นสุจริตกาย ก, ก, กรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่โชควจีกรรมที่เป็นสุจริตวจีกรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่โชคมโนกรรมที่เป็นสุจริตมโนกรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่โชคใช่ไหมเมื่อทํากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุดจริตอย่างนั้นเราก็ได้ทั้ง เป็นมงคลดีเลิกดียามดีขณะดีดครู่ดีในขณะนั้นเราเชื่อไหมอย่างเงี้ยเชื่อแต่ถ้าทํากายทุตจเดชเกิดขึ้นตอนนั้นกายกรรมก็เป็นอัปมงคลถ้าวจีทุตจเดชเกิดขึ้นวจีกรรมนั้นก็เป็นอัปมงคลมโนทุตจเดชเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นมโนกรรมนั้นก็เป็นอัปมงคลถ้าทํากายทุตจเดชวจีทุจรดชมโนทุจริช ถ้าบาปอกุศลกรรมมันรามกเกิดขึ้นในกระแสชีวิตในขนาดนั้นตอนนั้นชื่อว่าเป็นอัิโมงคลเลิกก็เสียยามก็เสียครูก็เสียขนาดก็เสียมันเสียหมดเลยเคยคิดอย่างนี้ไหมเอาแต่คิดอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้มันมันก็ชัดใช่ไหมว่าอ๋อ คําว่าเลือดียามดีขนาดดีครูดีหมายถึงว่าอ๋อสัตว์ทั้งหลายประพฤติกายสุจริทธ์วจีสุจริตธ์มโนสุจริทแล้วเนี่ยสุจริทธมันก็เป็นเลิอเป็นมงคลเป็นขนาดเป็นครูดีในตัวมันเองแล้วในขณะนั้นใช่ไหมดวงดาวบนท้องฟ้าทีนี้เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเล่าแบบย่อๆดีกว่ายกมาในชาดกมันแต่จะเล่าเป็นแบบแบบปัจจุบันให้ฟังดีกว่าแต่เล่าเรื่องราวนั้นเดี๋ยว มีพระราชาสองเมืองใช่ไหมเมืองกอกับเมืองขอพระราชาเมืองกอเมืองขอเป็นก็ไปนับถือฤาษีฤาษีคนเดียวกันฤาษีตอนเนี้ว่าเก่งมากสามารถรู้เลิกผานาทีเลิกยามและที่เก่งมากกว่านั้นก็คือมีเทวดาเนี่ยเทวดาเนี่ยมาบอกด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงแล้วต่อมาพระราชาสองเมืองเกิดทะเลาะกัน นี่พอเกิดทะเลาะกันขึ้นมาทีนี้พระราชาเมืองกอก็รีบไปถามฤาษีก่อนทะเลาะกันในครั้งนี้ใครจะ ช, ชนะฤาษีบอกเดี๋ยวขอตรวจเลือดเลือดยาวเหมือนยมย่อชำนาญเรื่องมดดูใช่ไหมถ้าใคอยากจะไปดูก็ไปดูเลยนะแต่เลือทิ้งหมดแล้วเนี่ยก็บอกว่าออเดี๋ยวพรุ่งนี้มามามาม า, ม า, มาเอาคาตอบเดี๋ยวเราขอปรึกษาพระเทวดาด้วยเพื่อความมั่นคงเพื่อความแ่นยำ ตนเองชํานาญในตําราด้วยแล้วมี ม, มีมีเล็กมีอะไรพอสมควรด้วยยังไม่มั่นใจขอถามเทวดาคิดดูยังมั่นใจขนาดไหนยังมาพอเทวดามาก็ปรึกษาเทวดาบอตกลงวันรุ่งขึ้นพระราชาเมืองกอก็มาถามก็บอกว่ามือทะลาะกันในเมืองท่านชนะแน่นอนโอ้กลับไปดีใจไหมดีใจแล้วเตรียมเตรียมกองกําลังแล้วเตรียมแลย้ยเมืองขอได้ข่าวว่ามีการจะส่งกองกําลังมาล็อกก็รีบไปถาม อาจารย์นี่เป็นฤษีเหมือนกันฤษีว่าไงฤษีตอบว่าไงเ ม, มืองขอแพ้หรือชนะเฮ้ยแพ้ที่เมืองขอเนี่แพ้ใช่ไห ม, ไมเพราะหลักว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็บอกอย่าลบเลยถ้าลบแล้วเมืองท่านก็แพ้พระราชานี่ก็กลับไปด้วยความทุกข์ใจก็ไปปรึกษาหมา่เพราะไปปรึกษาไปเสร็จว่าเอาฤษีตัวเนี้ยขอยืดเวลาการลบขอจัดจัดเตรียม โอ้โห่กลับมาทั้งเพียรจับกองกําลังใหม่มีการตระเตรียมลายใหม่ฝึกฝนอะไรเป็นจุดอ่อนจุดได้ยทั้งหลายแก้ไขไม่ประมาทแล้วนะเมืองขอเนะี่ยก็รู้ว่า เ, เขาบอกว่าเราแพ้เนี่ยจะไม่ยอมไม่ยอมแล้วเราจะต้องขวนขวายเราจะต้องฝึกปรับเปลี่ยนระบบการล็อกตาลาพิชัยสงครามใดๆเอามาศึกษาหมเรียบร้อยทีนี้พออยู่ต่อมาครั้งหกเดือนในสองประเทศนี่นะก็ ย ก, กองกำลังก็ห้ามหันกันลบกันเป็นเดือนนี้เนี่ยผลประกอบไทยแพ้กอหรือขอขอเฮกบอกว่าพระฤาษีบอกว่าจะชนะนี่เทวดาก็บอกด้วยว่าจะชนะงานนี้รบกันจริงๆใครชนะเมืองขอเนี่ยพราชาเมืองขอชนะโอ้โหเมืองกอลนี่กรรุ่งกระลิ่งเกือบตายอ่ะเสียหายกําลังพลและตัวเองเกือบตัวไม่รอด ห <N> นีกลับไปก็ไปผ่านในตำหนักของฤาษีนี่แหละเขอด่าให้สาใจกนเ <N> ขาจเข้าไปก็ไปชี้หน้าดา่าโหทำทำเราเสียหายยับเยินเกือบเอาชีวิตไม่รอดบ้านเมืองพังผู้คนล้มตายยิบัติเสียหายโอ้โหอับอายมากเนี่ยตำลาพังหมดแล้วทำํำไงนึกในใจโหไม่รู้จะหน้าไว้ไหนกละทีวดามาจะดา่าเทวดาให้สมใจ <N> เพระเทวดาวมาเลยตอนี้ฟคืนมาตําหนิเทวดา ว, ว่าไงถึงไหมความเพียนของมนุษย์ความอดทนความมุ่งมั่นความชางฉลาดของมนุษย์เป็นต้องแม้ดวงดาวเทวดาบนท้องฟ้าก็ห้ามความสําเร็จของมนุษย์นั้นไม่ได้ <laughs> ว่าไงยอมโจ้ดวงดาวว่าไงเนี้ยเ <laughs> <laughs> ช่นไหม อ๋อดาวมันเปลี่ยนเยอะนี่หมอโดจะไปแบบเนี้วันก่อนเวันก่อนนั่งอยู่ท้องสนามหลวงมีคนก็พูดภาก็เดินมาไอหมอดูนั่งอยู่ท้องสนามหลวงมันบอกท่านมาดูหน่อยวันนี้ไม่มีใครมาดูเลยภาก็ปเลยบอกว่าก่อนจะลงมานั่งตรงต้นมะขามเนี่ยทำไมไม่ดูก่อนพว่ามันนั่งต้นนี้แล้วมันจะไม่มีใครมาดู อย่างนี้เป็นต้มองเห็นนี่ยังว่าตรงนี้มิจฉายานะคือรู้ผิดเข้าใจผิดมิจฉาประวัติติก็คือการถึงสาระคมโดยปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาสก็คือปฏิบัติคำว่าปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาสมันมีผิดแบบจ้องๆกับผิดแบบเหมือนไม่ผิดก็มีนะเะยแยกให้ดูนิดนึงนะ ถ้าผิดแบบประเภทเป็นสายศาสตร์เลยทรงเจ้าข้าผีทำลายทยทักเลยนี่นผิดจริงๆเลยนะคือปราศจากกรรมสกตาปัญญาไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมทีนี้มันยังมีผิดอีกอย่างนะผิดแบบประเภทเป็นศีลพระตาปรามาสกา็เห็นอ่ะยังยกตัวยอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลใช่ไหมรักษาศีลหรือประพฤติปฏิบัติตาม วัฒนธรรมประเพณีแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะไม่รู้ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการรักษ า, าศีลที่แท้จริงเ<จ>ช่นรักษาศีลเพราะเห็นว่ามันขังรักษาศีลว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะรักษาศีลเพื่อหวังไปเกิดว่าจะได้มามีโชคลาบมีทรัพย์สมบัติรักษาศีลเพื่อจะได้มาเป็นมนุษย์รักษาศีลเพื่อได้เป็นเทวดารักษาศีลเพื่อจะได้ เกิดในพบภูมิที่ดีทั้งหลายเหล่านี้การรักษาศีลอย่างนี้มันก็ยังมีตัวตันหาตัวมานะ ต, ตัวทิฏฐิยังรูป ล, ลูกคำจับต้องอยู่ใช่ไหมเป็นรักษาศีลที่ไม่มวลไม่บริสุทธิ์หมดจดตามหลักการที่พระบรมศา ส, สดารองวางหลักไว้ไม่เป็นอริยกันตศีลไม่เป็นศีลที่พระอริยบุคคลชื่นชมรักให้อย่างแท้จริงดูเนี่ขนาดปฏิบัติแบบขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะศีลเนี่ย ตัวการที่รักษากุศลศีลก็เป็นปัจจัยแฉลบลาโมดปีติปัสสติถูกสมาธิแล้วก็ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงนิพพาเวลาคาไปถึงการบรรลุอริยามรรคอริยผลเพื่อเข้าถึงอนุาาปัฏฐรนปณิธานจุดหมายของศีลจริงมันต้องดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันฉีกออกและเข้าใจผิดไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นการรักษาศีลเพื่ออย่างอื่นซึ่งมีลาบส ก, กา ร, ราเสียงสารเสริญเยินยอพบชาติที่ดีอะไรก็แล้วแต่ หรือต้องการอยากจะตัวเองจะได้โชคดีช่วงนี้โชคไม่ดีแล้วเราต้องไปบวชไปรักษาศีลแล้วต้องไปถือศีลต้องไปปฏิบัติที่อ่างทองสักเจ็วันช่วงนี้หมอดูทํานายไว้อะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็มันก็เข้าปาเข้ารกไปเยองไหมล่ะเนี่ยก็อรนี้แบบเนี้ขเขาจะรักษาศีลที่ไม่ตรงจุดหมายของของศีลที่แท้ศีลอย่างนี้ก็ไม่เป็นอริยการศีลไม่เป็นอปปรามทัทธศีลเป็นศีลที่ยังมีตัณหาเข้าไปเกิดกลัว มีโมหะความไม่รู้ไม่เข้าใจในการกุ้มรุมในการในการที่ไม่ไม่ฉลาด ใ, ในการที่ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออนาธระการถือไตรสถานคมโดยไม่เอเื้อเฟือต่อพระาราชนตรัยไม่สแสดงความเคารพอย่างแท้จริงไม่ระลึกไม่ได้น้อมไปในพระาราชนไตรัยคือพุทธพระธรรมประสงค์อย่างแท้จริงคืออย่างนี้อาธระนี่ก็แปลว่าเอาเื้อเฟืออนาธระก็คือไม่อื้อเฟือใช่ไหม เอื้อเฟือหรือไม่เ อ, อเื้อฟือมันคืออะไรเนี่ยจริงจังแล้วถามว่าเราเราถึงสารณาคมจริงๆเราเราถึงแบบมันจะมีหลักการานี้ว่าเวลาเราเราเลิกถึงคุณของพระ เ, เจ้าพระธรรมประสงค์เราเลิกถึงพระราชนตรยัยตอนนั้นจิตของเราเสงบดีไจิตของเราสงบจิตของเราจิตของเราเนี่ยอ่อนโยนไหมใช่ไหม จิตของเราอ่อนโยนจิตของเราเนี่ยมีความเบาความอ่อนจิตของเรามีความซื่อตรงต่อพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงจิตของเรามีความคล่องแคล่วในการราลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยจิตของเรามีความควรต่อการงานก็คือว่าเหมาะสมแก่การที่จะดําเนินไปสู่ศีลสมาธิปัญญาในขณะที่เราเลือกถึงพระรัตนตรัยจิตขอเราก็อ่อนจิตก็ควรจิตก็จิตก็เบาใช่ไหมจิตไม่แข็งกระด้างจิตไม่แข็ง จิตค่องแคลวในการที่เราลึกถึงคุณของพระราตราีน้องน้อมจิตใจในการที่จะฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจคําว่านึกนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บพอเป็นพระดํำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะทรงจําพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเมื่อเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นปฏิปทาทางดําเนินของพระอาริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายพร้อมที่จะดําเนินไปตามมรรมาปฏิปทานี้จริงๆ ไม่เอ็นเข้าหาย ไ, ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวออกนอกทางเดี๋ยวเนี่ยเดินไม่ประเพฤติปฏิบัติเหมือนอะไรนะที่บอกว่าไม่คดเหมือนเหมือนหางไถหรือไม่คดเหมือนปัสสาวะโคก็ เ, คเห็นโคมันเดินไหมมันเดินปับ๊บแล้วถ่ายปัสสาวะไปเรื่อยมันจะคดนคนบางคดก็เดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอากุศลนั่ ก, ก็คดไปอย่างนี้เลยใช่ไหม เราต้องการดําเนินไปตรงตามมัชฌิมาวฏิยปทาตามธรรมดำเนินนี่จริงๆพฤติกรรมของเราต้องให้ตัวกุศลศีลที่เป็นสมาวิจารสมมากรรมิตาสมาชีวะเป็นหลักในการดําเนินจริงๆจิตใจก็ต้องการในสมมาวิมวัสมาสติสมาสมาธิเป็นหลักในการดําเนินแล้วก็ทัศนะความเห็นก็ปลั๊กตามความเห็นที่เป็นกรรมิสกตาสมาที่ถืเป็นต้นอย่างแท้จริงถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเคารพเป็นการถึงสารนักคมด้วยความอึดอัอถ้าไม่อึดอัดก็เศร้าหมออย่างนี้เป็นต้น อตอนนี้ก็คือว่าในคำสอนคขาท่านพูดไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าในสารถสมุทยาอุบาสกอุบาสิ ก, กาผู้มีปัญญาบางคนพิจารณาเห็นภัยอันตรายที่จะมีต่อชีวิตของตนเองว่าความตายอาจจะมีถึงเราในยาบทใดยาบทหนึ่งก็ได้ฉะนั้น ขณะนี้เมื่อภัยอันตรายยังไม่มาถึงจึงควรบำเพ็ญกุศลก่อนก็เลยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าวิธรรมบารียสง์ในทุกๆอียาบทแม้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในการที่ไม่ทำให้อยาบทต่างๆนั่นน่มันเผลอเลยหลุดลอยเป็นหาบาปอกุศลพยายามอยู่ในยาบทอาจจะเผลอไปบ้างก็พยายามว่าไ อ, อยาบท ยืนเนี่ยเราได้รึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรามพระสงฆ์นี่ไงเราได้ดําเนินตามรอยบาปศาสดายอย่างและเดิมเอาพิปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอย่างอาจจะเผลอไปหน่อยไปอยู่ในยาบทยืนเดินหรือนั่งหรือนอนก็มีกํากับอยู่แต่ละยาบทแต่เพียงว่ามันมีบาปมาแทรกไปขั้นพอสมควรเข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีเออไม่ทําำยาบทนั้นให้เสียเปล่าเคยเป็นไหมเช่นนั่งอยู่เนี่ย ก่อนจะลุกเนี่ยไม่ได้แล้วต้องถึงขอเลึกถึงคุณของพระราตน้าใจและลึกถึงคําสอนและลึกถึงคุณความดีที่เคยทําอะไรก็แล้วแต่แม้เดินเดินเดินอยู่อะเราอาจจะเผลอสติไปหลายครั้งก็แล้วแต่แต่เอ๊ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนยาบวจากเดินไปไปยืนเนี่ยต้องขอเลือกถึงคุณของพระราชน้าใจก่อนหรือไปยืนจะเปลี่ยนเป็นนอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอเลือกให้มีพระราชนตราัยเป็นหลักก่อน ในก่อนที่มีฉันทะมีใจรักในการระลึกถึงคุณของพระรัตน้าใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตจอดจอมีปัญญารู้และเข้าใจแต่มันห่างหน่อยเพราะาอาศัยียาบทนั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและติดต่อใดๆเท่าไหร่แต่ว่าไม่เคยละเลยเลยนะยืนเดินและนั่งนอนยังมีคุณของพระาราชนไตยจกำกับพอสมควรอย่างนี้ท่านบอกว่านี่ยังถือว่าเป็นการถึงสถานคมแบบมุทุกแบบยังอ่อนอยู่นี่คำพีก็ว่าขนาดอันนี้ก็ไปตรวจสอบ 2. อ, อุบาสกบาซิกาผู้มีปัญญาบางคนพิจารณาเห็นภัยที่อันตรายที่จะมีต่อชีวิตว่าความตายอาจจะมาถึงเราแม้ในขณะบริโภคอาหารแม้ขณะบริโภคอาหารใช่ยังไม่ทันจะเ ก, กลือนก็อาจจะถึงตายแก่ชีวิตฉะนั้นเราจะกินอาหารเนะี่ยเคี้ยวเคี้ยวเยวเคียวเคียวเยวไปเรื่อยๆมนานเนี่ยปกติคนกินอาหารก็ต้องเคี้ยวไม่ต่ำกว่า30มสิบครั้งใช่ไหมวนมีปัญญานะ ที่พูดเนี่ยที่เคี้ยวสาสิบครั้งึงเกินเนี่ยหมายถึงเขามีไอ้ปัจจญยเสนศิีตาศีเน่ยถ้าไม่มีปัจปจยเสนศสตาศีจะเคี้ยวสองาคราบเรียบเกินเลยเพราะมันหมดอร่อยเคยเป็นไหมเราเคี้ยวกี่ครั้งตึงเกินอ๋อกพรัะฟันไม่ดีว่ะ อันนี้ไม่ใช่เพราะสติสัมปชัญญะนะเพราะควันอ๋อควันไม่แข็งแรงถ้าสติสัมปชัญญะเนี่ยท่านหมายถึงการพิจารณาท่านหมายถึงการพิจารณาแล้วก็เนี่พอจะพิจารณาเคี้ยวเคี้วเคี้ยวไปตั้งนานเฮ้ยพอจะกลืนขึ้นมาเนี่ยเคยเห็นคนกินอาหารตายไหมโยมีข่าวว่าที่กินปัสกสติดคอตายอะ ยอมรู้ทุกเรื่องเลย <c oughs> ฉันเลยเล่าไม่ได้เล ย, เลยถามจริงให้ฉันเล่าเรื่องฉันไมเนี่ย <c oughs> ดีจไหมามามยายกับคนรู้นี่สบายใจด <c oughs> ีมันมีมันมีเอ๊ะให้้เวส่วนใหญ่อะมาเล่าเรื่องนี้ไหม <c oughs> ต้องลองเล่าเนี่ยใ <c oughs> นเดี๋ยวพอยอมรู้แล้วเนี่ย ทีนี้มีมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งกินอาหารพอกินกินไปก็ก็หัวล้อที่น้วกว่าหัวล้อเนี่ยไอตัวข้าวไปอุดร้อนแล้วหน้าความความคุบลงแล้วก็ช่วยไม่ทันแล้วก็ตายเรื่องนี้บอกให้รู้ว่าเนี่ยเราอาจจะตายในขณะที่กินอาหาร ยังไม่ทันที่กลืนลงไปแล้วมันเข้าไปอุดหลอดลมตายก็ได้นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกกระแสชีวิตท่านเขาคิดอย่างนี้ก็เลยเ ร, เลระาาายรลึกถึงคุณของพระราตนัดได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ทํารมระลึกถึงคุณความดีแล้ควค่อยๆกลืนการคิดที่มีฉันทะใจรักในการที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีความเพียรประคองใจให้อยู่คุณของพระพุทธเจ้ามีจิตตัจดจ่อในคุณของพระพุทธเจ้ามีปัญญารู้และเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ย อย่างนี้เป็นมัชชิมะปานกลางนะอันนี้เป็นระดับปานกลางแล้วนะั่นเองอุบาสกบาศิกาผู้มีปัญญาบางคนพิจารณาหินภัยที่อันตรายที่จะมีอดอกชีวิตว่าความตายอาจจะถึงเราในขณะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ทันหายใจออกหายใจออกไม่ทันหายใจเข้าอยากกันนั้นเลยเวลาหายใจเข้าแต่ทีนะี้โอ้โหให้ใจเราเนี่ยเราเลือกถึง มีฉันทวิทยาจิตตาปัญญาตั ว, ต, วตัวพลังแห่งการที่จะผักดันทําให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างติดต่อและตอนนี้หรือระลึกถึงคุณ ค, ณความดีโดยตั้งอยู่ในอัภิม า, าทธรรมก็ไม่ประมาทมีสติไม่หลงลืมทําจนเป็นว ส, สีเป็นชํานาญในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีฉันทวิทยาจิตตาเกิดขึ้นติด ต, ต่อและต่อเ น, นื่องเขาเรียกว่าเป็นการถึงระลึกถึงพระรัตนตรายอย่างอย่างแรงกล้าแล้วก็ พุทธบริษัทนั้นให้พิจารณาดูว่าเราเป็นอุบาสกไบสิกากลุ่มไหนกลุ่มที่ยังมีฉันทาวิรยิยะปัญญาอ่อนอยู่หรือฉันทาวิริยะจิตตปัญญาแบบปานกลางหรือฉันทาวิริยะจิตตปัญญาแบบสูงแบบแบบประณีแบบสูงให้เลือกว่าเราจะเป็นพุทธบริษัทกลุ่มไหนกลุ่มไหนเป็นอุบาสกไบสิกากลุ่มไหนยอมอยากเป็นกลุ่มไหนาาแล้วทําได้ไหมเนี่ยที่จะเลือก งั้นพักกันก่อนดีไหยเดี๋ยวพักกันก่อนใช่ไหมเขาจะมีเบรกกก่อนดีโยมขอเวลาพระอาจารย์อีกสัก15นาทีได้ไมค่ะอาได้ค่ะให้พระอาจารย์ติดน้ำแล้วบรรยายต่อก็คือข้างนอกกำลังเตรียมการอยู่เขาออขอบคุณนะถ้าอยากถามปัญหาเลยนะถ้าตอบไม่ได้เอมามี คนช่วยตอบเยอะแยะหมดเลยทั้งทางเจ้าวาดก็มาใครก็มาเยอะชื่นใจถามได้ทุกประเดน็นเลยท่านใดนั่งไปที่ไม้ครับครับขอถาม ปัญหาพระอาจารย์น่คร LE <un> ับว่าเออฉับพรังสีนี่ของพระเจ้านี่มีทั้งหมดกี่สีครับแล้วก็เกิดขึ้นจากการแสดงคำบทไหนครับแล้วพระพุทธองค์องค์ที่ผ่านมานี่มีจับพลังสีเท่ากับพระเจ้าในปัจจุบันไหมครับแล้วความหมายว่าแต่ละสีคืออะไรครับเอาคำหมายได้ เดี๋ยวให้อาจารย์จรุพงตอบดีกว่ามัา้มันไม่ได้ยากหรอกเหนื่อยสงสัยคำตอบจะพอดีได้เวลาเบรคคำตอบยาวเลยหกสีเอาปัญหาต่อไปอาจเชย ระดับนมัสการพระคุณเจา้าขออนุญาตเรียนได้วันนี้ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอันหนึ่งนะคะวันนี้ที่ได้มาฟังธรรมมาที่นี่เป็นครั้งที่สองค่ะออฟังท่านแล้วย้ำให้นักย้อนดูตัวเองว่า เ, ออเราเป็นชาวพุทธดังที่ท่านได้กล่าวเมื่อตะกี้ว่าเราเนี้ยตั้งใจจริงหรือเปล่า จากสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าซึ่งโยมก็เคยตั้งใจนะคะว่าจะเป็นรกูกพระพุทธเจ้าไปตลอดแต่บางครั้งเราก็มีกิเลสที่ทําให้เราต้องไปสนใจเรือ่องอื่นเยอะโดยเฉพาะความที่อยากรู้อยากเห็นแต่มาวันนี้ทําให้เราเข้าใจว่าเราต่อไปนี้ จะต้องตั้งใจศึกษาภาคธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วมเมื่อกี้โยมได้ฟังพระคุณเจ้าเทศอยู่ประโยคนึงนะคะพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าฟังไม่ไมผิดนะคะท่านว่าท่านพูดเป็นภาษาบาลีถ่ะว่าลงท้ายด้วยคำพยัญยนะจะโยมฟังไม่ทันนะคะ มันมีสองสามสองสามประโยคที่ว่าถ้าเราขาดสามอันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วมีคัอคำว่าอยา ก, ยากต้องกาบขอโทษนะคะังไม่ทันอยากให้ท่านช่วย อ, อธิบายคำพูดอันนั้นแต่ละอันนะคะอะไรบ้างคือ อาจจะยาระยะหรืออะไรแต่ลงท้ายด้วยคำว่ายา <c oughs> <c oughs> คือฟังไม่ทันภาษาบาลีโยไม่ค่อยชนานาญก็เลยอยากอยากให้ท่านช่วยอธิบายว่าการที่คนเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่นนะถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถรู้ล่วงสามารถขจัดตามความก้าใจโยนะคะขจัดความโลภความโกรธความ <c oughs> รหองเทัาไหลายได้แต่ แต่ว่าภาษาที่ท่านพูดมตัตเตเกียฮะค่ะโยนจําได้แม่นยําคือคำว่าปุงไทยด้วยคําวิญญาสามสักสามหรือสี่ประโยคค่ะอยากให้ท่านเช่วยกราบอธิบายข้อความเ่านีมากำลังกำลังทบทวนมาพูดพเรื่องอะไรไปกันนั่นคือถ้าพูดลดสีสมาธิปัญญาค่ะแล้วสีสมาธิปัญญาเนี่ยอะไรนะถ้าเราขาดแล้วเราจะเกิดอะไรอะไรอย่างเนี้ยค่ะ แต่ท่านพูดเป็นภาษาบาลีพูดแบบเร็วๆค่ะแต่โยมฟังไม่ทันซึ่งโยมก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่ว่าถ้าเราเอาไปนคบนกับมาณแล้วอ่ะมันจะทำให้เราบั่นทอนปัญญาทอนสติทำให้ขาดสิงขาดสมาธิขาดปัญญาเราจะไปไม่ถึงฝั่งคณิพราอะไรก็ายะยญญอะไาอยาอะาะไรกอะก็อรยาอยะราอะออยา มาเข้าใจแล้วว่าพูดถึงอัธยาศัยอัธยาศัยหกของพระพุทธศาสนาอัธยาศัยหกของพระพุทธศาสนาเนี่หมายถึงเรื่องของการที่ท่านมีอัธยาศัยหประการอโรพัชชาสยะอัธยาศัยไม่โลกโนั้นบุคคลที่ท่านปรารถนาในการที่จะบำเพ็ญบรารมี การเป็นพระบริษัตท่านก็จะ้มีอัธยาศัยเหล่านี้ค่อนข้างที่แข็งแรงแล้วก็ตั้งมัน่นอัธยาศัยอโทสัจชาสยะอัธยาศัยที่ไม่โกรธไมั้นไม่ใช่บำเพ็ญบารมีเนี่ยโลภะถ้าโลภะโทสะโมหะเหล่านี้เป็นต้นเหล่านีไ้ไปเกิดร่วมเช่นเช่นทานยกตัวอย่างดีกว่านะว่าเช่นทานาเจตนาโยธากองทัพแห่งทานบารมี ที่มาประชุมในใจมีเจตานาที่จะทําให้ตัวศรัทธาสติริเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นนะตัวกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นก็ดีมีความเพียรมีความกล้ า, าหาญมีความจงใจตั้งมั่นที่จะทําตัวบา ร, รมีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นทานบา ร, รมีให้เกิดขึ้นเนะี่ยก็ต้องไม่ให้มีโลภะเข้ามาเกลืกลัว้วไม่มีโทสะหรือโมหะเป็นต้นเนี่ย ถ้าให้กิเลสมาก้มรุมหรือมาเกิดกลัวเกิดขึ้นในขณะที่บำเพ็ญบา ร, รมีเหล่านั้นเขาเรียกบา ร, รมีเหล่านั้นก็เศร้าหมองพ็เศร้าหมองบารมีก็ไม่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดฉะนั้นอัธยาศัยแห่งความไม่โลภอัธยาศัยแห่งความไม่โกรธอัธยาศัยแห่งความไม่หลงแล้วก็เป็นอัธยาศัยที่จะน้อมออกจากการามที่เป็นเนคขมัตชาสยะ จ, จริงๆเนี่ย น, นะ อัตยาสายน้องก็สู่วิเวกหรืออัตยาสายที่น้องออกออกจากพบที่เป็นนิสสนาธตุชาสยาเนี่ยจึงแข็งแรงต้องแข็งแรงและตั้งมั่นในทุกๆอัตภาพที่เกิดพระบริษทัทหลังจากได้รับคุณทรพยากรได้แล้วเนี่ยเวลาท่านบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยท่านต้องบําเพ็ญที่ยาวนานมากใช่ไหมเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรัปเนี่ยในเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรัปไม่ใช่ว่าบําเพ็ญบา ร, รมีแล้วเดี๋ยวเรีกัปนี้บําเพ็ญกรัปนี้หยุดอย่างนี้ไม่ใช่เลยต้องบําเพ็ญให้ติดต่อและต่อเนื่องที่เป็น กีฬาพาลภาวนาด้วยหมายความว่ายาวนานไม่พอต้องทําให้ติดต่อต่อเนื่องด้วยและการบําเพ็ญบา ร, รมีนั้นต้องเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่หย่อนลงนะยิ่งเข้มข้นยิ่งมีพลังมากขึ้นทั้งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะปัญญาวิรยิยักขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเบคาบารมีต้องเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีความประณีตละเอียดวิจิตบรรจงมากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นเพราะตัวศีลสมาธิและโดยเฉพาะปัญญานั้น จะมีความกว้างขวางชัดปัญญาก็มาชําระพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่มีอาจจะมีการขาดตกบกบ้องพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาและทางอาชีพทั้งหลายตัวปัญญาก็มามาปรับมามามาชำระจนเข้าถึงความสะอา ด, บ, ดบริสุทธิ์ไม่ให้กิเลสนั้นเข้ามากุ้มรุมในการออกทางกายทางวาจาที่จะเป็นทานเป็นศีลเป็นความเพียรอะไรก็ว่าไปแม้พฤติกรรมทางใจสภาพจิตใจนั้นต้องได้ทั้งคุณภาพสมรรถภาพและความสุขใช่ไหม คุณภาพก็มีทั้งเมตตากรุณาุมตตามีทั้งกตันยูกตเวีีมีทั้งความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปทั้งหลายโดยนี่เป็นต้นเนี่ยต้องมีคุณภาพที่ดีสมถภาพก็ต้องมีความเชื่อมั่นมีความกล้ากล้ามีความอาหานมีความอดทนมีสติมีกำลังของสมาธิที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้านความสุขกระปราโมทปีติปัสสิสุข แม้ขนาดอยู่ในท่ามกลางอุปสรรคอันตรายทั้งหลายสภาพจิตใ จ, จนั้นน่ยก็ต้องมีความสุขในการที่จะบำเพ็ญบารมีมีความกล้าๆอาถารพ์ในการที่จะบำเพ็ญและมีความตั้งมั่นในการที่จะหมุนบารมีเกิดขึ้นในตนอย่างนี้จริงๆสามารถไม่ให้กิเลสคือการมาฉันทาพยาบาททมบัคผูรุมได้ด้านทัศนะความเห็นก็ไม่ให้ความเห็นผิดเข้ามาเกื้อนกล้วนทาทัศนาที่เป็นสัมมาทัศนาเป็นสัมมาทิฏฐิ อ, อย่างแท้จริงในการที่จะหมุนศีลสมาธิปัญญาที่ผักออกมาเป็นบารมีสิท อุปปรมีและปรามัฏฐบาลมีฉะนั้นอัธยาศัยทั้ง6กจึงมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นอารมพัฒชายะอัธยาศัยที่ไม่โลภอโทศกชาสยะอัธยาศัยที่ไม่โกรธอมโหหกชาสยะอัธยาศัยที่เป็นไปกับปัญญาที่ศึกษาเรียนรู้วิจัยแยกแยะอย่างแท้จริงปวิเวกขาชาสยะอัธยาสัยที่น้อมน้อมข้าหาวิเวกแล้วก็นิสแล้วก็เนคขมัชชาสยะก็คือน้อมออกจากกามน้อมออกจากกามน้อมออกจากบาปอกุศล ถ้าแม้ไม่ได้ถึงปฐมวชานก็น้อมออกให้กุศลที่น้อมออกจากกามทั้งหมดจริงๆโนยวิปัสสนาญาณก็เป็นเลขขมมะปฐมวชานก็เป็นเลขขมะะมะปฐมวชาเน เ, ขขปชาเป็นต้นเนี่ยนะแม้สภาวะของนิพพานก็เป็นเลขขมมะวิปัสสนาญาณทุกระดับก็เป็นเนลขขมมะใจก็สภาพจิตใจที่ต้องมีปัญญาในการนําพาชีวิตออกจากกามออกจากบาปกุศลและทำมันชั่วร้ายอย่างแท้จริงถึงจะเป็นไปในลักษณะนั้นอัตยาสายเหล่านี้จึงมีความสําคัญที่เป็นตัวกําหนด แล้วก็ผักดันให้กับบารมีหเหล่านั้นเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเพื่อจะบรรลุเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าเปนต้นได้พอจะชัดเจนนี่ยังชัดเจน้นสูงทุกข์ขอให้สาธุด้วยกันนะคะหมดที่ยังถึงเวลายัง ก็การบรรณาธิการค่ะเราจะกลับเข้ามาสู่ห้องประชุมที่ปรเวลาบ่าย 3.15 นาทีนะครก็กลากขอบพระคุณพระอาจารในทวงเวลาต้องก่อนเพราะมีคนถามเลย พพอัตลณทวายแล้วนะิดจะตั้งมัน่น <c oughs> เลาเาต้อง